มันเคยเนี้ยไปจะมีมากใช่ไหมไปกันทั้งหมดที่อไรนะใช่ครับไปพิจารณาตายรักความไม่เที่ยงพิจารณาความทุกพิจารณาอนัตตาไม่ใช่ตัวตวนเป็นเพียงหยินน้ำลมปล่อย ทั้งายนี่งมาจากดินน้ำโลภไปเป็นของดินน้ำโลภไปจับเครื่องสื่อดินน้ำโลภไปไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราโดยสมมุติสมมุติทีสัจจะก็เป็นของเราแต่ตอนวัตถสัจจะเป็นของดินน้ำโลภไฟเป็นของธรรมชาติเป็นธรรมะ สัตว์ธรรมอนัตตาธรรมชาติธรรมชาติรราทั้งหลายเป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นดินน้ำลมไฟเราอยู่ในโลกกระททุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มาจากโลกมาจากธาตุสี่เป็นหลักก็คือดินน้ำลมไปแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์เป็นมนุษ ก็มีธาตุธาตุเลือเข้ามาธาตุสี่ธาไม่มีธาตุเ ล, ลืก็เป็นพวกเต้นไ ม, ม้ภาาูกขาไม้ย่าวัตถุต่างๆมีแต่ธาตสี่ถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนไหวได้อย่างในมนุษย์นั้นก็มีธาตลลุเลือกก็มาเป็นทูบขับเคลื่อน เป็นผู้ทำให้ร่างกายนี้ไปไหนมาไหนได้พูดอะไรได้ทําอะไรได้แล้วก็ถ้าทั้งห้านี้ก็ต้องมีอากาศสัทธาเป็นที่ตั้งอยู่เป็นที่เป็นที่ไปไหนมาไหนได้อากาศสัทธาก็คือพื้นที่นี้พื้นที่สามมิติที่สูง สูงต่ำสูงแค่สูงกว้างแล้วก็ที่มีสามส่วนนี้เขรีสามมิติเราไปไหนอะไรท่าสี่นี้กับท่าดูนี้ก็ไปในในอากาศสาัทธเมื่อเช้านี้เราก็ไปที่จันท บ, บุรีวันนี้เราก็มาที่ที่วัดญาณก็เป็นการเคลื่อนไหวในอากาศสาัทธา ของธาตุสี่คธาตุห้าคือร่างาของเราเนี่ยใจของเราธาตุรู้นี่ก็คือโลกธาตุทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นโลกธาตุถ้าไม่มีธาตุสีก็ยังมีธาตุรู้อยู่เช่นเวลาธาตุรู้กับธาตุสีแยกแยกทางกันเลยธาตุสีก็ กายเป็นรากุพเป็นถ้าที่เอาไว้เดี๋ยวก็กลับเคลื่อนสู่ดินหญ้าบนไฟถ้าไม่ร้ก็ถ้ายัางไม่ได้มีทาตถขีใหม่ก็เป็นได้หลายรูปแบบเป็นเทพก็ได้เป็นพรหมก็ได้เป็นเดระเป็นเปรตก็ได้เป็นนรกก็ได้เพราะว่าคำว่าเทพก็ดีพรหมก็ดีนรกก็ดี เกิดก็ดีนี่เป็นคุณสมบัติของธาตุรู้ในขณะนั้นธาตุคุณสมบัติของธาตุรู้นี้เปลี่ยนไปตามตามบาตตามบุญคือตามตามการกระทําของธาตุรู้ธาตุรู้ถ้ า, ถาคิดเป็นบุญเป็นกุศลก็จะเป็นเทพเป็นพรมหรือเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระนิพพาน ถ้าคิดเป็นบาปเป็นอกุสมก็จะเป็นเป็นอบายคือเป็นเปรดบ้าเป็นนรกบ้างนรกก็คือคิดเรื่องความอาฆาตปริบาร์เครียแคนเรือความทุกข์ความทรมานใจรุ่งร้อนจิตใจถ้าถ้าเบรดก็เป็นความหิวความความโลภ ควาต้องการที่ไม่มีขอบไม่มีเขตถ้าเป็นเทศก็เป็นใจที่มีความเมตตากรุณาเพื่อเพื่อเผื่อแผ่เสียสระถ้าเป็นพรมก็เป็นใจที่เป็นอุเบกขาเป็นสมาธิถ้าเป็นพระอริยบุนคคลก็เป็นใจที่ปราศจากอุปาทานในขันห้า ในจิตตามลำดับตามกำลังของของของธรรมคือสติยา <c oughs> เครดตาลงจิตดวงใดมีสติปัญญามากมีความเห็นในใจลักมาก <c oughs> ก็จะมีการปล่อยวางได้มากนี่ก็คือเรื่องของของธาตุโลธารุโที่ ที่เป็นผู้ผูกตัวเองให้อยู่กับกองทุกหรือเป็นผู้ที่จะปลดเปื้อยตอนเองให้ออกจากกองทุกเป็นเรื่องของทาโรที่เรียกว่าอาตาหิอัตาโนนาโทตอนเดินที่พื่นของตนน่ทาโรต้องเป็นผู้แก้ปัญหาของตอนเองเพราะทาโรเป็นผู้ผูกปัญหาขึ้นมาเองเมื่อผูก เองได้ก็ต้องแก้เองได้คนอื่นแก้ให้ไม่ได้สอนให้แก้ได้เช่นพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้ทรงแก้ปัญหาที่พระองค์ทรงผูกขึ้นมาเองพระองค์ก็นําเอาวิธีนี้มาเผยแผ่ให้แก่ทารู้ดวงอื่นๆทารุณดวงใดที่มีศรัทธา น้อมเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถแก้ปัญหาของตนได้ปัญหาของท่ารู้ก็คือความทุกข์นี้ความทุกข์ที่เกิดจากอภิชาผู้ที่ไม่รู้ความจริงของปรมัตสัจจะไม่รู้ความจริงของท่าทัง้งหกว่าเป็นเพียงท่าเท่านั้นเองถ้ารู้ก็เป็นท่า ธาตุสีน้ำมันไปก็เป็นธาตุอากาศสธาตุก็เป็นธาตุไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไ, ไม่เป็นของใครทั้งสิ้นเป็นของธรรมชาติมีพระพุทธเจ้าเพียงองคเดียวเท่า น, นั้นที่จะมีสติปัญญาความรู้ที่จะสามว่าเห็นธาตุทั้งหกนี้ได้ด้วยตัด้วยตนเองด้วยพระองค์เอ ง, อ ง, เองผู้อื่น แล้วไม่มีสติปัญญาลรามีพอที่จะสอนตนเองให้เห็นได้ผู้อื่นจึงต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วมาประกาศสอนพระธรรมทำสอนสอนเรื่องธาตุทั้งหกนี้สอนเรื่องอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาทศเสียงธรรมชาติทั้งหลายทำทั้งหลายนี่เป็น อนัตตาเป็นเิ็นน้ำลงใจเป็นธาตุเป็นธาตุรู้ธาตุอากาศธาตุ้าใครรู้ธาตุั้งเหน็นอย่างอย่างอย่างแจ้งชัดและรู้อย่างต่อเ น, นื่องตลอดเวลาก็จะปล่อยวางได้ก็จะไม่มีความทุกข์เพราะจะไม่ยึดไม่ติด ธรรมดาพวกเราก็รู้กันอยู่เวลาถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยทุกกับของนึงแต่ถ้าอันไหนเป็นของเราเนี่เราจะทุกกับมันทันทีร่างกายของเรากับร่างกายของมันเน่ก็เหมือนกันเช่นร่างกายที่เราไปดูเมื่อือคืนนี้ไปงานมาเมื่อคืนนี้งานศพมาเมื่อคืนนี้ก็เป็นร่างกายเหมืนอนกับร่างกายของเราแต่เราไม่ทุกกับร่างกายอันนั้น ทุก็ไม่มากเหมือนกับทุ ก, กับร่างกายของเราหลายความจริงร่างกายของใครก็เหมือนกันเป็นดินน้ําลงไปยต่อแก่เจ็บตายเหมือนกันทั้งนั้นแต่ทําไมเราต้องมาทุกกับร่างกายที่เราครอบครองอยู่นี้แต่ร่างกายของผู้อื่นเราไม่ได้ไปทุกกับเขาด้วยนั่นก็เพราะว่าเรา เราเห็นตามสมุติสัจจะเราเห็นว่าร่างกายของคนอื่นไม่ใช่ของเราเห็นร่างกายที่เราครอบครองอย่างนี้ว่าเป็นของเราความรู้ทางสมุดิสัจจะยังไม่พอที่จะปลดปื่องใจให้หลุดจากอุปทานหรือจากความทุกข์ได้ต้องอาศัยความรู้ทางปังตญาสัจจะ คือต้องเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงาตดินน้ำลมไฟเป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำลมไฟถึงเวลาดินน้ำลมไฟก็จะมามาท่วงเขื่นไปส่วนที่เป็นน้ำน้ำเขาก็จะย็ดขื้นไปส่วนที่เป็นลมลมเขาก็จะมาคึ้นเขืนไปส่วนที่เป็นเป็นไฟ ไปก็จะมันยึดเคลืนไปส่วนที่เป็นดินดินก็จะยึดเคล่อนไปร่างกายที่ปมีอาการ22ก็จะหายไปหมดนี่คือปรมัตถสัจจะที่เราต้องพยายามศึกษาให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งอยู่อย่างตลอดเวลาการที่จะศึกษาได้อย่างแจ่มแจ้ ง, จงเห็นอย่างแจ่มแจ้ ง, จง ได้ตลอดเวลานี้เราต้องมีกำลังจิตกำลังจิตก็คือสมาธิสมาธินี้ถ้าจิตสงบแล้วก็จะมีกำลังที่จะต้านความคิดปงแต่งต่างๆที่จะไปในทางความหลงแล้วก็ ผักดันให้ความคิดนั้นมาในทางมัจในทางธรรมะในทางปรมัจารย์ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิใจของเราจะถูกอำนาจของ <c oughs> ของกิเลสตัณหาอวิชชาผักดันให้ปุนแต่งให้คิดไปในทางส ม, มุติสัจจ์ ถ้าไปใทางสมมุติศัสตร์ก็จะเกิดอุปทานเกิดเกิดตัณหาตามมาเกิดชั่วใจเกิดทุกข์ตามมาพล้วถ้าเราคิดว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราเราก็จะยึดจะหวงจะอยากให้ดีอยากให้ <c oughs> อยู่ไป น, น, นานๆอยากให้ดีไป น, น, นานๆไม่อยากให้มันจบ พอเวลามีอะไรมากระทบกับความอยากนี้คือมาท้าทายกับความอยากท้าทายกับความต้องการของเราให้ให้ดีให้อยู่ไปนานๆมันก็จะทําให้ใจมีความว้าวุ่นขุ่นงัวมีความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะไม่ดี อุปทานหรือความอยากให้ร่างกายนี้หรือของที่เราเรียกว่าเป็นของเรานี้อยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดเพราเรารู้ว่าไม่ได้เป็นของเรานั้นเองเหมือนกับเรายืมของเขามาใช้เราก็รู้ว่าเดี๋ยวเจ้าของก็ต้องมาเอาคืนไปหรือเราต้องเอาไปคืนเจ้าของเมื่อถึงเวลาที่เราได้กําหนดไว้ ยืมเงินมื่อถึงเวลาก็ต้องไปใช้เงินครับซึ่งเราชื้อของเงินผ่อนนี่ก็เป็นเหมือนกับยืมเงินเราไปยืมเงินธนาคารมาซื้อของเไว้ก่อนพอถึงเวลาเราก็ต้องเอาเงินไปคืนธนาคารเป็นเวลาตามที่กําหนดไว้เป็นเดือนเป็นอาทิตย์เป็นปีก็ว่าไปถึงเวลาก็ต้อออกไป ถ้าไม่เอาเงินไปคืนเขาของที่เราซื้อมาเนี้ยก็ต้องเอาคืนเข้าไปร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับเหมือนกับของที่เราซื้อมาจากธรรมชาตินี่แหละแล้วเราก็ต้องคืนธรรมชาติเข้าไปเพื่อถึงเวลาร่างกายของทุกๆคนเป็นอย่างนี้ เวลาที่เราไปงานศพเราจึงควรพิจารณาให้เห็นความจริงอันนี้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของใครเทนั้นเจ้าของที่ที่ได้ครอบครองร่างกายนี้เขาไปแล้วเขาไปที่อื่นแล้วเขาทิ้งร่างกายนี้ให้กลับคืนสู่เจ้าของเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำมอไปไม่มีใครที่จะ ยับยั้งได้เปลี่ยนแต่งได้ถ้ามีปัญญาเห็นอย่างนี้อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเส ม, mm. สมอก็จะไม่ทุกข์วุ่นวายใจไปกับการดับ mm. การพักผ้าจากสิ่งต่างๆ mm. จะเห็นว่าเป็นปกติ mm. เป็นธรรมดาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนฮะ mm. เกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ร, ร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้ก่อนมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ด้วยป่วยเป็นธรรมดา ร, ร่วมพ้นความเจ็บไข้ด้วยป่วยไปไม่ได้ก่อนมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดา ร, ร่าวมพ้นความตายไปไม่ได้ก่อนมาแล้วย่อมมีการพัาดพาจากของรักของจำเริญใจทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมดา ร, ร่าวมพ้นไปไม่ได้เรามีของอะไรที่เรารักเราหวงสักวันหนึ่ง เราก็ต้องจากเข้าไปหรือเขาต้องจากไปเพราะเขาไม่ได้เป็นของเรานั้นเองถ้าเราคิดอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเราจะอยู่อย่างไม่ยึดไม่ติดอยู่อย่างพร้อมที่จะคืนทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่เจ้าของไปปัญหาก็คือเราไม่ค่อยสอนใจเราพอเรา ออกจากที่นี่ไปเราก็เริ่มเริ่มที่เราได้ยินได้ฝั่งเนี้ยเราก็คิดเหมือนเดิมๆรถคันนี้ก็เป็นของเราภรรยาคนนี้ก็เป็นของเราสามีเป็นของเราเพื่อนเราอะไรเป็นเราเป็นเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นีมดพอเกิดเหตุการณ์อะไรกับเขาขึ้นมาใจเราก็ทุกข์ทุกไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะไม่เปลี่ยนแปลงไม่สามารถ ห, า ห, า ห, าหา้ามความจริงที่เกิดขึ้นหรือที่กําลังจะเกิดได้นี่คือเรื่องของธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนโดยเฉพาะของพระพุทธเจ้าเท่นั้นถ้าไ ม, มีพระพุทธเจ้ามาเกิดก็จะไม่มีใครรู้เรื่องของอนัตตา เรื่องของการที่ไม่มีตัวตว น, นไม่ใช่ตัวเราของเรานี้ก็จะยึดติดกันแล้วก็จะทุกข์กันไปตาจากชาตินี้ไปก็ไปเกิดใหม่เพราะยังยึดติดอยู่กับร่งางกายยังอยากจะได้ร่งางกายมาเป็นเครื่องมือเป็นสมบัติให้ไม่หาความสุข เหมือนกับรถเนินรถเนินคันนี้เสียเราก็ยังต้องซื้อรถคันใหม่มาใช้ต่อจะ้อใช่ไปเรื่อยๆ เ, เพราะเราติดนิสัยชอบเดินทางไปไหนมาไหนอยู่บ้านแล้วมันมีนมความอึดอัดใจมีความเศร้าซ้อยหงอยเหงาถ้าได้ออกไปข้างนอกได้ขับรถไปตามสถานที่ต่างๆจะมีความรู้สึก มีความสุขใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีมีความทุกข์ต่างๆตามมาจากการที่ต้องมีรถยมต้องคอยดูแลรักษาแล้วก็ต้องเสียงภัยกับอบัติเหตุเสียงภัยกับภัยต่างๆก็เป็นความทุกข์ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเกิด ถ้าไม่มีรถยนต์ก็ไม่ต้องมามีทุกขกับเรื่องของรถยน์ถ้าไม่ต้องไม่มีร่างกายก็ต้องไม่ต้องมามีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายความท่ารากจากสิ่งต่างๆความทุกข์เหล่านี้เราไม่เห็นกัน <c oughs> เราเห็นความสุขที่เกิดจากการมีร่างกายมีสมบัติมีสิ่งต่างๆ แต่เราไม่เห็นความทุกข์ที่อยู่อีกด้านหนึ่งชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ทลุกเข้าไปด้วยความสุขและความทุกข์ความสุขจะมีน้อยกว่าความทุกข์ความสุขจะมีเป็นระยะระยะเป็นเชือกัดเดียวต็วเดียวพอเดแต่ความทุกข์นี้ความทุกข์นี้รู้สึกว่าจะเป็นพื้นฐานของใจความทุก์ในรูปแบบต่าง วความยึดตอกความกังวลความโกรธใหญความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเหล่านี้มันเป็ความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันเพราะเราอยู่กับมันมาจนชินชาแต่เราก็รู้ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพยายามหนีมันไปเราถึงต้องไปหาความสุข ก, กันเพราะเราอยู่เฉยๆไม่ได้ อยู่เฉยๆก็มีความลังทาใจมีความว้าเวเหวมีความเศร้าเศ้าเหนื่อยเงก็ต้องออกไปหาความสุขด้วยวิธีต่างๆก็ต้องไปเสีย่ยงไยกับการไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ต้องทุกกับปัจจัยที่เราใช้ในการแสวงหาความสุขต่างๆแต่ถ้าเราสามารถทำใจของเราให้สงบนิ่งได้ให้มีความสุข กับความความนิ่งเฉยของใจได้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปไหนไม่จาเป็นต้องมีร่างกายก็ได้ถึงนี้นก็ร่างกายนี้ตายไปถ้าใจมีความสุขมากพอใจจะไม่อยากที่จะไปหาร่างกายอันไหมมามาแบกให้เหนื่อยเล่าเพราะความสุขที่ได้จากร่างกาย มันไม่เท่ามันสู้กับความสุขที่ได้จากจิตใจไม่ได้มันเป็นเหมือนฟ้ากับดินความสุขทางจิตใจนี้ชนะความสุขทางปวงนัตถิสันติปรังสุขขังสุขเอื่นไม่มีไม่มีสุขเอื่นที่จะเหนือเท่ากับความสุขของความสุกของใจนี่คือ ความจำเป็นที่เราต้องสร้างความสุขของใจให้เกิดขึ้นให้ได้ความสุขของใจก็มีอยู่สองระดับด้วยกันคือความสุขที่เกิดจากการทําสมาธิทําจิตให้สงบด้วยการข่มใจด้วยการบริกรรมจิตบังคับจิตให้ให้มีสติรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เพื่อให้เจ็ดให้ใจเป็นหนึ่งให้รวมรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกาตาลงเวาใจรวมรวมเป็นเอกตาลงแล้วใจก็จะนิ่งจะไม่คิดตุงแตกจะมีความสุขมีความสบายแต่เป็นความสุขความสบายที่ต้องอเป็นชั่วคราวคือนังสุกได้สักระยะหนึ่งแล้ว ก็จะต้องถอยออกมาออกมารับรู้กับเรื่องราวต่างๆท า, างตาหูจมูกลิ้นกาและทาใจใจก็จะคิดตรุงแต่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาเห็นได้ยินอะไรก็จะมีอารมณ์ปรากฏขึ้นมาแต่จะเห็นได้ชัด <c oughs> ว่าอารมณ์เหล่านี้มันทำให้ใจกระเพื่อม ใจที่ออกจากสมาธินี้จะเป็นใจที่เหมือนน้ำที่ยังนิ่งอยู่ถึงแม้ว่ น, น้ำจะหลแต่น้ำน้าไหลไปแบบไม่มีไม่มีคลื่นต่างกับใจที่ไม่มีสมาธิที่ไหลไปแต่เป็นคลื่นก็เพื่อมอยู่ตลอดเวลาความกระเพื่อมของใจนี้แหละเป็นความทุกข์แต่เราไม่รู้กันเวลาเราริบตกกังวลเรื่องนีน้เรื่องนี้ห่วงใยเรื่องนี้เรื่องนี้ ปวดหัวกับเรื่องนั้ น, น เ, เ่อนีใจของเรากำลังกระเพื่อนใจของเรากำลังตุกแต่เราไม่เห็นเพราะว่าเราไม่เคยเห็นความนิ่งของใจตัวที่จะให้เราเห็นความแตกต่างว่าใจของเรานี้มีความสุขได้นิ่งได้ไม่ต้องปวหัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องวุ่นวายได้เราไม่เคยเห็นถ้าเราไม่เคยมีจิตมีสมาธิ คือมีการรวมลงของใจเป็นเอกตาลมแต่ถ้าเราสามารถทําใจให้สงบรวมลงเป็นเอกตาลมได้แล้ว<ม>เวลาออกมาจากสมาธิมันก็ยังจะนื่องอยู่คือมันจะหลายมันจะเก็บตรงแต่งแล้วมันก็จะกระเพื่อมเวลาที่มันไปสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆแต่มันจะทําให้เราเห็นความแตกต่างกันทันทีว่าอ๋อ ไอ้นี่สงบไอ้นี่กระเพื่อมเวลากระเพื่อมก็เหมือนกับเป็นเหมือนกับภู เ, เขาไฟดะเบิดขึ้นมาก็าจ์รู้ว่านี่คือปัญหาคือการกระเพื่อนของจิตก็ถ้ามีปัญญาหรือถ้าถ้ายังไม่มีก็ต้องต้องรู้จักใช้ปัญญาหรือต้องต้องวิเคราะห์ว่าความกระเพื่อม น, นี้กระเพื่อมมาจากอะไรไปกระทบกับอะไรเขา้า เช่นไปกระทบกับรูปเสียงหรือความคิดตุงมแต่เมื่อเมื่อรู้ว่าไปกระทบกับอะไรก็ต้องไปวิเคราะห์กับสิ่งนั้นว่าทําไมใจเราต้องไปกระเพื่อนกับเทาด้วยก็เป็นเพราะว่าเราไม่เห็นใจรักนั่นเองเราไม่เห็นปรมัตสัจจะเราเห็นสมมติสัจจะเช่นเห็นสิ่งที่เรารักแล้วเราไปคิดว่า ทักวันนึ่เขาอาจจะต้องจากเราไ <issements> ปหรือเราต้องจากเขาไปใจก็จะกระเพื่อมขึ้นมาถ้าถ้าไปเห็นว่าเป็นเป็นของเราแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้ามาแก้บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ำลงไปพอเห็นว่าเป็นของดินน้ำลงไปก็จะไม่กระเพื่อมจะคิดถึงเวลาที่เขาต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไป ใจของเราก็จะไม่กระเพื่อเพราะเราเห็นด้วยปัญญาเห็นสัจจะความจริงว่าไม่ใช่ของเราน่เลยเหมือนกับเราเห็นตามสมมติสัจจะของคนอื่นว่าไม่ใช่เป็นของเราของคนอื่นนี้เราไม่เราไม่วุมวายใจยด้วยไม่กังวลด้วยเขาจะอยู่เขาจะไปเขาจะดีเขาจะชั่วอย่างไรเราไม่มีปัญหาใจเราไม่กระเพื่องไปกับเขา เพราะเราไม่ได้เปยดไปติว่าเป็นของเรานั่นเองดังนั้นการที่จะปล่อยวางอุปทานได้อย่างชาัดเจนเนี่ยก็ต้องต้องเห็นปอาะปรงละมัตสัจจะต้องเห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นของยืมมายืมมาจากธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนี้มาจากน้ำลงไฟทะ้รนั้น ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของคนของสัตว์หรือข้าวของต่างๆล้วนมาจากดินน้ำลมไปแล้วก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ํำลมไปช้าหรือเร็วต่างกันตามเหตุตามปัจจัยของวัตถุแต่ละอย่างบางอย่างก็แยกกันออกจ้าบางอย่างก็แยกกันออกเร็วแต่ไม่นที่สุดก็ต้องแยก ดินนลมไฟเมืเามนารวมกันแล้วเขาก็จะต้องพยายามแยกกับคืนสู่ดั่งเดิมของเก่นาส่วนน้ำก็ต้องแยกต้องพยายามแยกออกจากดินออกจากลมออกจากไฟเช่นเดียวกับลมกับดินกับไฟ ต, ต่างๆก็พยายามแยกกันอยู่ตลอดเวลาข้าของต่างจีน เ, เก่าอยู่เราซื้อของมา เวลาซื้อมาใมใหม่มันก็ดูสวยงามดีแต่พอเก็บไว้สักระยะหนึ่งหรือใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็จะมันก็จะดูเก่าลงไปนั่นก็แสดงว่ามันเสื่อมลงมันธาตุสี่ที่มีอยู่ในนั้นมันเริ่มแยกออกจากกันที่เราเล็ทเทอร์เนาทุกอย่างเมันมีการเสื่อมลงไปและมีการสูญสลายไปในที่สุด นี่คือการใช้ธรรมยาเราต้องพยายามสอนใจของเราให้มองในทางปรมาภิสัชญาอยู่เรื่อยๆให้มองให้เห็นว่าเป็นเพียงดินน้ำหนุนไปให้เห็นว่าเป็นการแยกตัวของดินน้ํำหนุ่ไปไม่มีอะไรที่จะอยู่เหมือนเดิมนีม่แต่จะคอยแยกออกจากกันอยู่เรื่อยๆตะ จะเห็นได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนเือจะพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องเพราะเวลาที่จิตมีสมาธิมีติเลตัญหาจะถูกกดไว้จะทำให้เขาทำงานไม่เข้องตัวจะไม่มีกำลังมากเราก็สามารถที่จะเดินใจดึนสังขารความคิดตรงแบนี้ ให้มาคิดในทางมรดได้ให้คิดว่าในทางปรมัตสัจจญาณแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเลยนี่กิเลสตัณหาอริชาโมหานี่มีกำลังมากจะเบืนสังขารไปคิดในทางสมุติสัจจะตลอดเวลาว่าเป็นเราเป็นของเราว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้จให้ความสุขกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ พอคิดอย่างนี้แล้วเราก็เลยขวนขวายไปในทางความคิดหนึ่งเราก็ไปทํามาหาเิ น, ะเนหาเลี้ยงหาเงินหาทองได้เงินได้ทองมาก็ดี อ, อกดีใจเอาไปซื้อข้าวของต่างๆเอาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเอาไปเดืม่มเอาไปรับประทานแล้วเป็นอย่างไงความทุกข์มันน้อยลงไปหอปลมันก็มันกลับมีมากขึ้น เพราะพอได้ใช้เงินแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยเวลาที่ไม่ได้ใช้เงินก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือถึงน้ำเวลาได้ใช้เงินบางทีก็ยังเกิดความทุกข์เพราะว่าใช้แล้วมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่ถึงจใจเคยใช้เวลา 5,000 ก็อยากจะใช้มากกว่านี้มันถึงจะมีความสุขมากกว่านี้มันก็จะต้องเพิ่มขึ้ใจเรื่อยๆ เมื่อเพื่มมันก็ต้องไปหามาอยู่เรื่อยๆการหาเงินนี่มันเป็นของสมุกที่ไหนต้องเหนื่อยยากต้องคอยทำงานทำการต้องไปต่อสู้ไปแข่งขันกับผู้เพื่อที่จะให้ได้มันมานี่คือถ้าเราไม่มีสมาธิใจของเราก็จะถูกจุดลากไปในทางโลกแต่ถ้าใจเรามีสมาธิแล้วมันจะต้าง มันจะไม่ไปมราบอไปทำไมเนี่ยอยู่เฉยๆนั่งสมาธิมีความสุขกว่ากันเยี้ยะมีความสุขกว่ากันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดื่มไปวับประทานไปดูไปฟังนั่งหลับตาทำจิตใจสงบแล้วกาสบายไม่ต้องไปเจอสู้กับใครไม่ต้องไปมีปัญหาไปมีเรื่องราวกับใคร นี่คือคุณค่าของสมาธิถ้ามีแล้วมันจะเป็นเหมนกับมีมีสัพพายในมีของที่วิเศษกว่าของต่างๆภายนอกก็จะจะทาก็จะอยากจะทำให้มีมากขึ้นแล้วก็อยากจะให้มีตลอดเวลาโดยเฉพาะไม่เฉพาะเพียงแต่ในขณะที่นั่งอยู่ในสมาธิเท่านั้นเวลาออกจากสมาธิ ก็อยากจะให้มันมีความสุขเหมือนอยู่ในสมาธิแต่ตอนนั้นถ้าไม่มีปัญญามันก็จะมีความทุกข์ได้พอเพลิกิเลสก็จะแอบมาดึงสังขารไปทิบปรุงแต่งให้อยากจะออกไปที่นั่นที่นี่อยากจะไปดูดูนั่นดูนี่ไปฟังนั่นฟัานี่ได้ตอนนั้นก็อาจจะทุกข์ทรมานใจขึ้นมาได้แต่ถ้าเรา ออกมาจากสมาธิหน้าเราไม่ปล่อยสังขารให้ทิดเรื่อยเปให้ให้ให้เป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาเราก็เอามาเป็นเครื่องมือของมรรของธรรมไปด้วยการเจริญไตรลัก์ด้วยการพิจารณาต่างๆว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เป็นเราเป็นของของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เป็นความสุข พี่ใหญ่เนี่ยมากจะหลอกเราว่าไปเที่ยวทักวันนะ่ะสนุกดีมีความสุขแต่ถ้าเป็นปัญญาบอกก็เคยไปเที่ยวมาทั้งเยอะแล้วมันสุขงไงกลับมาก็เศร้าสร้ยอยเหมือ น, นเดิมเวลาไปก็เหมือนไก่ดินเวลากลับมาก็เป็นเหมือนหาเกลียวอพับกลับบ้านแล้วก็อยากจะออกไปเหยียดอยากไปดีกว่ากลับมานั่งสมาบุรณะ ก็เลยตับใจไม่ไปกลับมานั่งพุทโธพุทโธต่อพอจิตสงบปั๊บมันก็สบายไปอีกครับพอออกจากสมาธินะเดี๋ยวกิเลสมันก็มารากจิก็ต้องใช้ปัญญาต่อสู้กับมันไปจนกว่าปัญญาจะมีความมีพลังกําลังมากกว่ากิเลสมันก็จะตัดความอยากไปได้ ตอันก็ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ถ้าตัดตัดได้ด้วยตัญญาว่าออไม่ไปดีกว่าอยู่อยู่ดีกว่าไปไปแล้วไม่ดีไปแล้วก็วนอยู่ในอ่างวนอยู่ในวงจร อ, อุบาสไปวันนี้พรุ่งนี้เขาต้องไปอีกพรุ่งนี้ก็อยากจะไปไปพรุ่งนี้วันนี้ก็อยากจะไปถ้าไม่ไปวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่อยากจะไปก็จะไม่ไปตลอดได้ก็จะไม่ต้องไปหาความสุข จากข้างนอกว่าเรามีความสุขห้อในอยู่แล้วนี่คือการการใช้ประโยชน์จากการที่เราไปงานศพเราไปเพื่อพิจารณาไตรลักษณ์อ น, นิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นความสุข แล้วก็ร่างกายเป็นเพียงยินน้ํำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราพิจรารณาอย่างนี้ได้แล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะไม่มีความทุกข์เราปล่อยให้เป็นไปตามความจริงของเขาเขาจะเจ็บก็ปล่อยเขาจเจ็บไปเขาจะแก่ก็ปล่อยเขาแก่ไปเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายไปเพราะเราห้ามเขาไม่ได้ เราไปห้ามกระแสน้ำของความจริงไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ด้วยปัญญาไม่ให้ไปอยากให้เป็นอย่างอื่นแล้วเราก็จะอยู่ในความทุกข์ของร่างกายแล้วก็จะอยู่ในความทุกข์ของสิ่งอื่นที่ใจไปติดอยู่ต่อไปตามลนดับจากร่างกายก็ไปสู่ นามขันคือเวทนาสัญญาสังขารจากนามขันก็ไปสู่จิตที่ยังมีเกลเละเกาะติดอยู่ยังยึดติดอยู่ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ก็ต้องไปแก้ไปทาลายอุปทานอาวิชาความหลงโมหะความหลงนี้ด้วยายรักนี้เช่นเดียวกันมองถ้าเป็นนามธรรมก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรม เกิดด no ับเกิดยักก็เหมือนกันไม่ใช่เป็นของใครไม่มีใครที่ไปควบคุมบังครัให้เขาเป็นอย่างอื่นได้เขาต้องเกิดดักของเขาไปอย่างนั้นตลอดเวลาอย่างถ้ารู้แล้วก็ไม่ไปยึดไปติดเขาจะเป็นอย่างไรก็รับเขาตามความจริงเขาจะสุขก็รับว่าสุขเขาจะทุกข์ก็รับว่าทุกข์ไม่ต้องไปอยากให้สุขตลอดเวลาเพราะเขาจะสลับกัน สุขทุกข์ภายในขันในนามขันสุขภายในจิตก็จะเป็นอย่างนันมันจะม่ก็จะสลับกันไปถ้ารู้ทันด้วยปัญญาปล่อยวางได้หมดความสุขความทุกข์ของร่างกายหรือของของจิตนี้ก็จะไม่มากระทบกับจิตจิตก็จะสักไปวรู้รับรู้มันไปตรนกว่าจนกว่าจะแยกออกจากกันอย่างถามด เพรนั้นจิตก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้ต่อไปแต่ในขณะที่อยู่ด้วยกันก็ไม่ทุกข์กับเขาแต่รู้ว่าเขายังมีสุขมีทุกข์เป็นปกติร่างกายยังมีเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้สำคัญความคิดปูแต่งนามขันก็ยังคิดให้เกิดความทุกข์ความไม่สบายใจได้แย่ถ้ารู้ธรรมแล้วก็ไม่ไปยึดไปติดก็จะคิดจะทุกข์เขาคิดทุกข์ไปไม่สําคัญอะไร ใจเราไม่ไปทุกข์รับเขาก็แล้วกันแต่มันก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไ ป, น เ, ปนเรื่องของปัญญาทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่จะสามารถทำลายความทุกข์ภายในจิตในใจได้สมาธิเพลงจากดเอาไว้ส่วนสียงกับทางจะเป็นเพลง คล้ายๆว่าเราสร้างกรอบอะไรไมีช่วยช่วยตัดกิ่งก้านสาขามันได้บ้างแต่ไม่สามารถที่จะทำลายมันได้มีปัญญาเท่นั้นที่จะทำทำลายกิ่งก้าอต้นทำลายกิเลสปัญหาอวิชตาโ ม, มหะได้อย่างท่าวนเพราะปัญญาจะทำ้ากถอนโคลนขึ้นมาลาโคลนของ กิเลสก็คือความไม่รู้จริงนั่นเองความไม่รู้ปงอามาัสสะเจความไม่รู้ใจนะรู้แต่ที่เรารู้กันนี้ยังไม่ได้รู้จริงเพราะเรารู้อย่างไม่ต่อเนื่องเรารู้เป็นบางเวลารู้แบบสัญญาถ้ารู้แบบปัญญานี้มันจะรู้อยู่ทุกลมหายใจเท่าออกกิเลสทำงานทุกลมหายใจเท่าออก ถ้าปัญญาไม่ทํางานทุกลมหายใจก็ออกก็สู้กิเลสไม่ได้ถ้าปัญญาทํางานเช้าชามเย็นชามอย่างนี้ก็สู้กิเลสไม่ได้กิเลสเขาขยันกว่าปัญญากิเลสก็ทําทุกเวลานาทีทุกลมหายใจเข้าออกแต่ปัญญาก็ต้องทํางานทุกลมหายใจเข้าออกต้องพิจารณาอยู่เสมอเวลาออกจากสมาธิแนละ้วต้องพิจารณาตายยังเป็นพื้นฐาน เห็นอะไรก็ต้องสั ก, กิดวนะ่าเป็นตายรักนะไม่ใช่ของเราเนยะอย่างนี้ตายรากก็มันก็จะสู้กับพิเดตได้นี่ก็คือการแตง่งงานสมนี้ก็เพื่อเราจะได้เห็นของจริงเพราะว่าบางทีเราเพ่งแต่เนื้อนี้มันยังไม่ยังไม่ยังไม่ถึงใจเหมือนก็เราสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น สมัยนี้งานศพก็ไม่เปิดให้เราดูแล้ว ห, หน้าสีดำตายก็เห็นแต่ลงสี่เหลี่ยมเห็นภาพก็เป็นภาพของคนเป็นไม่ใชภาพของคนตายน่าจะถ่ายรูปของคนตายมามไม่ให้แม่น้องจิีนก็น่าจะถ่ายรูปของคนตายมาติดไว้ตรงหน้าโรงไม่ยังดีจะได้เห็นของจริงใช่ไหมที่กแกรูปหลอดล้วมาติดไว้ที่ข้างโรงศพติดไปทั้งหมด เนี่ยเพราะมันยึดติดในสมมุติศัจยึดติดในความสวย ง, งามก็เลยไม่เห็นความจริงไปงานศพก็ไม่ได้ปัญญาไม่ได้ประโยชน์เป็นงานสังคมไปเป็นงานทดแทนบุญคุณกันพอมาเราเราก็ต้องปัญญาเขาหรือเป็น ก, การไปให้ความเคารพตอบผู้ตายเท่านั้นเอง แต่ไม่ได้เป็นเจตนาลงของทางศาสนาที่ให้ไปงานสศพไนงานสดเพื่อให้ไปดวงให้ไปเห็นให้ไปพิจารณาไปรักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาที่ท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าเพื่อให้ไปให้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี่เองก็พักพั ก, น, กนิงก่อนถึงงานเลย เรื่อนิสุทธต่างกี่ม่สิบ้นสุรบางนีิสมีธรมวตธรรมวัรก่อนท่ามาวัดก่อนสวดนสวก็มีฟแท้แลวกรแต่ที่ท่านคือประเทศครับเป็นพระผู้ใหญ่ไปก็มีพระผู้ใหญ่ไปเทศนาเทศนพระครูอะไรไม่ทราบวัดแต่ท่านไม่ใท่านจะพูดถึงเรื่องท่าสี แล้วพระผู้ใหญ่ที่วัดมีใครมีมีจันทร์สนิทเป็นรองเจ้าว่าค่ะเขาสนเป็นตัวเขาเป็นเป็นคนบ้านต่ากค่ะจันทร์สนคนจันทรย์ตอนนี้ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนแล้วอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างกันข้างบนมันแค่เมื่อก่อนนี้ท่านมีศาลาอยู่ข้างบนทำกิจกรรมอยู่อยู่ข้างบนศาลา ฉันฉันต้องมือจารเคยไปครั้งเดียวท่านเ้นไปวัดไทยคั้งเดียวนานเนี่ยครับท่านนาแล้วเคยยืดจิตใจตอนนั้นฉันยังไม่ได้เจ็บไข้ด้วยตัวแต่ท่านไม่รู้จักเราเราไม่จารท่าน นีาโยมที่นี่ครับขาจะประกาศท่นานแล้ก็เลยเชิญไปล้วก็ไปสมัยแรกอาจารยักอยู่บ้านตากอาจารย์ยังไม่ได้เข้าไปเลยไปเมื่อ ไ, ไหร่อาจปสองพันห้าร้อสิบแตอนนั้นก็ดีแต่ทน า, านอาจารย์ยินมีท่นอาจารย์ดีท่านธรรยาทกานเสยลีแล้วก็ทน า, านอาจารย์อนณวารคุบาอาจารย์อะไรนั้นก็ไปเลย ไปสร้างวัดเดู่ทางด้านเองอยู่ไปไม่ถึปีพระอาจารย์มีท่านก็ไปไปไปอยู่ที่แต่พระอาจารย์มีท่านก็จะเข้าเข้าบอกบอบางพรรษาท่านก็เข้ามาชันรรษาด้วยบางพรรษาท่านก็ไม่ได้เข้ามาเาอคนท่านก็ชอบไปอยู่ตามยมภทา่ทานได้สร้างวัดลงศรีรัชพูนแท่านก็ไม่ชอบอยู่สร้างเสร็จท่านก็ไปท่านก็มี การเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะแบบพระในการปกครองแต่ท่านชอบสร้างอยู่ที่บ้านป่าป่าตรงไหนที่มันกมันดีท่้ก็เอายา้อยย่มาเคลี่เพื่อมาปลูกปลูกต้นกล้วยปุกต้นผลไ ม, ม้เพราะว่าสมัยก่อนนี้ต้องอาศัยพวกผลไม้ทู้่ปลูกให้วัดเป็นอาหารสมัยก่อนคนไม่ค่อยมาก บงังยนจะมีเนรนมีดเดินไปเก็บกล้ยวยไปเก็บสัพพะโรตเก็บผลไมท้ที่ออกออกผลในหน้าในฤดูกาลเอามาใส่ตูบบ้บกวันเช้าก็จัดขึ้นไปถว า, า, ายพระพระก็ศัยผลไม้ที่ปลูกในวัดนั้นเป็นเป็นอาหารเพอาจจะใญาติโยมก็เขาญาติโยมบางตากเขาเป็นคนยากจน ก็ไม่มีอะไรมีแต่ข้าวเหนียวแล้วก็อา <ON> <c oughs> หารก็ห่อเหมือนกับหอ่อที่เราห่อข้าเหนียวห่อด้วยใบตองเล็กๆใหญ่ก็ <force> กจะเป็นปลาตัวเล็กๆนึ่ง <c oughs> เ, เหมือนตอนที่เราเรียกห่อหมก <c oughs> แต่ห่อหมกของเขาแบบเป็นปลาตัวเล็กๆเข็ก็ต้องใส่อ <c oughs> าหารด้วัดเมตตาใ้กับเมตตาให้ทางมีโรงครัวให้เขาทาอาหารผัก ผัดมามองสองหมออผัดแตงกวามผัดพะแนมผัดหมูเพราะมีมีชาวภาคการไปอยู่เป็นเยอะแล้วก็มีชาวต่างประเทศด้วยอาหารของชาวบ้านก็จะค่อนข้างที่จะอัตกัดนะแต่อยู่ไปไม่นานก็ผนก็มาเพิ่มขึ้นเพิ่มข ตอนยก่อนสาว์อาทิต์จะมีรถมาสักสองสามคันรถคนขับรถมาจากมืองสักสองสามคันฉันก็เรียบร้อเรียบรวดเร็วแต่ต่อมาก็มีคนมาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นชาพ้าอาจาย์พระนี้ท่านจะไปในช่วงฤ ด, ดูทุเรียน ท่านจะขนทุเรียนเต็มรถเลยแล้วท่านจะว่าไปตามวัดของของครูบานนอาจารย์วันหลวงตาวัดอาจารย์เพียงวัดของครูบาอาจารย์แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้พบท่านเพราะว่าท่านน่กจะไปตอนที่เวลาที่พระในอยู่ตามกุติไม่ได้ออกมาทางทีมาช่วงใบ่ายยืนๆนั่น เรไม่เคยได้พบกันแต่รู้ว่าอ๋อมีมาแล้วคือยมงรู้มาจากกันเองที่นั่นก็ไม่ฐานนะอย่างเช่นมันแข็งก็มีคนมาส่งให้ทุกวันน้ำัน้าบดมก็มีเดื่อยู่เป็นกิจกรรมแต่ไม่จะไม่มีคนมาทำบุญตอนเช้ามากแต่ ของพวกนี้ก็มาเปีนคนนามาให้อยู่ประจำแต่บรรยากาศสุกดีไม่มีไม่มีกิจภายนอกมากจนเกินไปปีหนึ่งถ้าจำเป็นออกพัทษาแล้วก็อาจจะสร้างกุฏิสักหลังหนึ่งก็จะไม่เอายาเดเยมมาทำจะให้พระไม่อเคื่อกันร้าง ก็มีตาเงีนยท่านมีทีมือพอถือสามด้าแต yours, mm. ciendo, <eeee> <rado lemon> ่เวลาทาท่านก็มีขอบเขตในเวลาพอเยินปั๊บทนก็จะให้เลิกให้เก็บฝังน่ยไม่ให้เลยเถิดทาถึงข้ามถึต้องจุดพรมจุดไฟนี้ไปนี้ทำไปท่านก็เดิมาดูมาคุยกดูว่าพรมกันหรือเปลคุยกัตรงเสียงนิยมหรือเปะ ทำจะต้องทําด้วยการมีสติทำมีความสงบแต่ทำเฉพาะตอนออกพรรษานะท่านลองดูต่างๆนั่นเป็นสั่งที่จะไม่ให้ทําเลยงานก่อสร้างนี้ท่านบอกว่าเป็นงานที่อันตรายกับการภาวนามากทั้งกับผู้ก่อเองและผู้ที่ถูกกระทบเพราะเสียงมันจะดังในช่อวงดูข่าวพรรษานี้จะไม่มีการก่อสร้าง มุ่งเน้นไปที่การภาวนาเริยนฌองโกเรื่องสมาธินะเขาจะอบรมอย่างอย่า ง, อ ย, างอย่างต่อเนื่องคือไม่มีวันถึงว่าจะอาทิตย์ละครสมัยที่ท่านมีกําลังวันจันทรท่านจะอบรมอย่างขี้เลงทีไม่ถึงอาทิตย์ก็มีท่าวันขอบวันขเขาแยกประชุมกัน แต่พอสัคลายร่างกายท่านแก่ลงมากขึ้นท่านก็มีโรคประจำตัวแล้วก็มีมีภาระเกี่ยวกับญาติโยมมากขึ้นมีญาติโยมมากับท่านมากขึ้นเมืว า, วาท่านก็เหนื่อยแต่ท่านองค์พีก็เป็นห่วงเป็นใหญ่แต่ก็ไม่ไหวแต่ก็ได้แต่บ่นวาเป็นห่วงทีไม่ได้ไประชุมพระมาหลายวันแล้ว ก็พอดีมีพระอยู่รูปหนึ่งท่านชื่อนี่แหละดังนั้นท่านจะเป็นพระที่อยู่เวรที่ตาลาเราได้ยินหลงตาพูดอย่างนั้น mm hmm. ก็คิดว่าท่านเรียกประชุมท่าอก็เลยวิ่งไปบอกพระที่อยู่ประชุมพระก็มากันพอมาถึงตาลาหลวตาถามพวกท่านจะเป็นบ้างมาทําอะไรตัาประชุม ทหาติดช่วฟังหหงินว่าท่านตาเอยากจ ช, ชมเป็นห่วงเป็นใพระไม่ได้ช่วงนี้ไม่่อยประรชุมเลยท่านตเล็กชดเลอกชุมระเบิดลง <c oughs> แล้วลก็ไม่ <c oughs> ง ล, ลงแล้วแต่ท่านชิดก็ ด, ด, ดาดินไ <c oughs> <c oughs> อตีความ ตีความที่ท่านพูดความาแต่ท่านเห็นความสําคัญในการอบรมว่าการเทศน์สอ่งสอนนัเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มาเพราะมันหนึ่งมันทําให้ใจของพระที่ไม่ได้อยู่ในฝังธรรมะเนี่ยมันจะไปคิดทางโลกแล้วพอบัตถุนี้มันไปจะมาได้อยู่ในฝังแต่เราได้อยู่ในฝังจิตนั้นก็ต้องหมุนตามไปทางำทำละ พอฟังเสร็จมันจิตก็จะมีกำลังเหมือนนะ่ะมันจะบต้นไม้ได้งานก็เนี้ยมีความก็เปจะดูลนออกจากประชุมไปนี้ก็ไปเดินตัวกลมต่อได้หลายชั่วโมนนงนความนาต่อได้แต่ถ้าไม่มีประชุมบางทีก็ที่เกลียบบ้างนอนบ้างนอนได้สองสามก้าวซะเบื่อแล้วเพราะใจนี้นัออนอยู่ในทําหงธรรมใจของทาง่ทานใจของท่านานี่มันเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลา แต่ใ จ, ใจของพวกเราเนี่มันยังตั้ใจทางโลกมากกว่ามันคิดเรื่องนั้เรื่องนี้นอยู่พอไปคิดทาโลกนี้มันก็จะไม่มีกำลังที่จะพาวนาพอมีธรรมะได้ยินไ ด, ได้ได้ฟังธรรมะแล้วมันก็จะมีกาลังทำไมประมาณที่เราไปตอนนั้นยังไม่ดีเทปให้ฟังพอดีมีนักเสียย่ยงท่านท่าเราก็ยังไม่ไม่ได้อ่านท่านเราก็เลยเที การอ่านหสือท่านเป็นประจําวันละชั่วโมงช่วงที่กงวันว่างๆก็จะขึ้นา <c oughs> มานั่งแล้วก็นั่งอ่านอ่านก็มีกันได้ฟังฟังท่านเทศห น, นศังสือที่ท่าเขียนน่ท่านเขีนออกมาจัดใจเป็นธรรมยุนยุ น, นอ่านแล้วจิตจะสงบใจก็ <c oughs> อ, อ่านประวัติอาสตร์การมืออ่านปฏิปทาเนี่ยตุกวันวันละชั่วโมง ไปพอหมดนี้ก็อ่านเรืตรต่ตืองตเพื่อไม่ต้องอาศัยที่ท่านเกประชุมาประชุมก็ดีไม่เกประชุมเราก็ได้ได้ฟังเทศท่านอยู่ได้อาดด่านนท่มันก็ทำให้เรามีความรู้คอยเตือนเราว่าควรจะต้องปฏิบัติอะไรบ้าง เรื่องการฟังนี้สำคัญเรื่องการศึกษานี้สําสำคัญเพราะเราเป็นคนที่ยังไม่รู้จักทางนี้ยังไม่รู้วิธีการปฏิบัติอย่างละเอียดเราอาจจะรู้แบบคร่าวๆแต่เราไม่ไม่รู้อุออบายต่างๆวิธีการต่างๆปัญหาต่างๆพอได้อ่านนี้มันก็ได้ความรู้เพิ่มเติม ที่จะนำเอาไปใช้กับการปฏิบัตงิงานได้นี่ความรู้สึกว่าเวลาเราอ่านเล่อเดิมนะฮะเรื่องเดิมเนี่ยแต่ว่าความความรู้มันไม่เหมือนกันนะกันแปลว่าแต่ละครั้งได้เกิดที่ได้มาเก็มีความแตกต่างกันไม่มีที่ศีรอ่านหลายรอบก็จะแตกต่างกันมากความรู้ของเราก็าได้พัฒนาขึ้นไปเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะแปลจะตามอุดมความรู้ความเข้าใจของเรา แต่ความรู้ความเข้าใจของท่านอาจจะลึกกว่ามากพอจิตของเราละเอียดขึ้นไปหรือพัฒนาสูงขึ้นไปปัญยาลึกเข้าไปก็จะเข้าใจความหมายที่ลึกลงไปส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งเวลาเราอ่านนี่บางครั้งใจของเราไม่มีสติอย่างต่อเ น, นี่องเราอาจจะอ่านไปแต่มันไม่เข้าไม่มันไม่เข้าไปในใจในครั้งนั้นแต่พรอครั้งนี้มาอ่านใหม่ตอนดี ใ, ใจเรามีสติอยู่กับตรงจุดนั้นเราก็เลยได้ความรู้ใหม่ขึ้นมาแต่ก็เป็นความรู้ที่เรามองข้ามไปเราอ่านข้ามไปมเราอ่านไปแต่ใจเราไม่ได้รับเข้าไปว่าในใจอืมยังการทางเทศที่ทั้งมัน้าแทบไม่เหมือนกันไปทางไหนการอ่านหน้งสือก็เช่นเดียกันทางโลกก็เป็นเหมือนกันบางทีดูหนังครั้งแรกก็ดูหนังครั้งที่สองก็งงงไม่เหมือนกัน มีเหมือนขั้นที่สองก็อาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่อาจจะมองข้ามไปแต่สำคัญเรื่องการศึกษานีาสำคัญประยัดแต่ประยัดแบบปฏิบัตินะคือเป็นปริยัดแบบไม่ใช่ท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทองแล้วก็ไม่นำเอาไปใช้ปฏิบัติ เงินไปอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรรู้จักชื่อแต่ไม่รู้จักตัวอย่างเงิ น, นเพื่อที่จะให้ลองเข้าถึงตัวมเหมือนรู้จักชื่อแล้วแล้วเราจะได้ไปหาตัวมันให้เจอว่าออผู้ร้าอยู่ตรงนี้นะชื่อนี้นะไม่ใช่รู้จักชื่อแต่ไม่ไปตามจาับเหมือนตำรวจที่รู้จักชื่อของผู้ราแต่ไม่ไปตามจับตัวผู้รา้าผู้ร้ามันก็มันก็อยู่อย่างลอยนวล ถ้าเป็นตำรวจที่ที่ดีนี่ต้องรู้จักชื่อรู้จักหน้าตาของผู้ร้ายแล้วก็ต้องต้องเข้าไปหาตัวผู้ร้ายแล้วไปจับผู้ร้ายเอามา เ, าเข้าเข้ากลงให้ได้ทางปฏิบัติเราจะศึกษาแบบนั้นศึกษาเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ในการปฏิบัติไม่ใช่ศึกษาแบบป ร, ริญญาแล้วก็ไปสอบสอบผ่านแ ล, แ, ลแล้วก็แล้วกันไปได้ ประเยงนี้แล้วก็จบเนริญญต่อไปได้ประเยก้าแต่ไม่เคยเอาความรู้เหลนี้ไปปฏิบัติเลยอย่างที่นลวงุูมั่นบอกหนอตาตอนที่ไปการาบหลวงปู่หลวงปูมั่ขออยู่ท่านกา็อนุญาตให้อยู่แล้วเคนนั้นท่านก็พูดธรรมะให้ังว่าท่านเป็นถึงมหาท่านมีความรู้มากทางด้านปริญตาแต่ความรู้ทางปริญญางด้านนี้มันยังไม่เป็นประโยชน์ ใจของท่านนี้ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ใจของานยังขาดความสงบอยู่ฉันต้องเอาความรู้ที่ท่านได้เรียนนี้มาแขวนไว้ก่อ น, อนตั้งรู้บนพื้ก่อนเวลาภาวานาก็ทําใจสงบนี้อย่าไปคิดถึงความรู้ต่างๆที่ได้เรียนมาเพราะมันจะเป็นสัญญาเอ า, อามันจะเป็นอดีตจึ่เคยเรียนรู้มาเกี่ยวกับภาวานาสมาธิสมาธิว่าเป็นอย่างไร อุปจาระเป็นอย่างไรชัมิกะเป็นอย่างไรอปปนาเป็นอย่างไรตอนตอนทาจิตให้สงบนี่อย่าไปสนใจที่ให้สนใจอยู่กับเหตที่จะทำให้จิสตสงบก็คือให้มีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับกุศโลอยู่กับร่างกายอยู่กับอาการสาสิบสองอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้เรใช้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นตัวผูกใจเอาไว้ ให้ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบพอจะใจเข้าสู่ความสงบแล้วทีนี้มันสงบยังไงความรู้ที่เราได้เรียนมาจากปริยะมันก็จะมันก็จะมาบอกไปว่า อ, อ๋อนี่มันเป็นชนิกไหนนี่เป็นธรรมปัญญานี่เป็นอุปจาระมันจะมันก็จะเข้าใจแต่ถ้าอะไราไม่เจอตัวจริงเราก็จะคาดเชิงเดินไปต่างๆนานาว่ า, าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แล้วเวลานั่งแล้วดีไม่ ด, ดียังไม่เป็นก็ไปไ ป, ไปวาดภาพขึ้นมาว่าเป็นแล้วหรือถ้าเป็นขั้นปัญญาก็คาดไปแล้วว่าเป็นโสดาโสเดาโสเด า, ดานะเป็นนั่นเป็นนี่นะมไม่ต้องเป็นตัวที่จะว่าความจริงก็กือความสนุกหรืความทุกข์ความดับความทุกข์ภายในใจนี่เป็นตัวตัววัด ผล ข, ของการภาวนาของการปฏิบัติไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นท่านอะไรมันจะเป็นท่านอะไรก็ไม่สําคัญเหมือนการเรากินข้าวให้อิ่มจะอิ่มขั้นไหนก็ไม่เป็นไรขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นกลาง ก, าก็มันก็อิ่มมันก็จะเรู้ของเราเองแต่รู้รู้ไว้ก็ได้แต่รู้ว่าเพื่ อ, เ พ, อเพื่อเป็นการเปรียบเทียบความรู้ทางปริยัติากือความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติเท่านั้น แต่เราต้องทำากกาวงความรู้จากการปฏิบัตินี mm ้เป็นเป็นหลักเป็นตัววัดเพราะเป็นความจริงอย่าไปพยายามเอาความรู้ทางปริยัตมามาบีบให้เข้ากับความความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติวเราปฏิบัติอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องเป็นอย่างนี้อ mm hmm. แต่มันไม่เป็นบางทีที่เลนมันจะหลอกให้เราบอกว่าเป็นก็ไดอ ถ้าก็จะจาการเป็นนิพพานดูไปจะเป็นอะไรก็ไม่สําคัญดูว่ามันทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็แล้วแต่ดูว่าใจากับเพื่อนี้ไม่กับเพื่อนก็แล้วแต่อยู่ตรงนั้นทำคำตรงนันดูว่ามันสงบหรือไม่สงบ ช่วงนี้ปฏิบัติเยอะมากกว่าอะไรมาเ่าให้ฟังด้มีความเคลื่อนหน้าเพระอาจารย์อย่างเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมไปเนี่ยแล้วก็พอนานๆเข้าเวลาออกจากสมาธิแล้วนี่นะคะแล้วก็เราก็มาเดินจงกรมต่อจะมีความรู้สึกว่า สิ่งที่เราทําไม่ดีในหลายปีมากอาจจะสามสิบปี อ, อ, อย่างเงี้ยนะมันจับขึ้นมาค่ะอาจารย์แล้วเราก็รู้สึกไม่สบายใจ ừ ừ นะคะมีมีหลายสิ่งที่เราเอากลับมาแก้ได้แต่บางสิ่งเนี้ยมันก็แก้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ย น, นะคะสิ่งที่ที่เรารู้สึกก็คือว่าเราเราเชื่อกฎแห่งกรรมแต่ไอ้ตรงที่เราแก้ไม่ได้นี่ควรทำยังไงนะนะคะอาจารย์ก็ต้องทําใจกับหนูเบิดฐานะคร สัตวทั้งหร่มีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมนใดนไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมั้ยยอมรับดีกว่าเพราะาถ้าเราพยายา ม, มวิดตกกังวลนึกกลัวเนี่ยมันก็เป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาโดยใช่โดยที่ไม่ได้ไปลบล้างความาวิบากที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปยอมรับกรรมันถ้าจิตมีพลังแล้วมันรับได้ทุกอย่าง จิตนี้ถ้ามีอุเบกขาแล้วก็รับด้วยอุเบกขาอะไรจะเกิดก็เกิดแต่จิตเราจะไม่รุ่งร้อนไม่ไปทุกข์ไม่เดืไปเดือดร้อนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นยิ่งถ้ามีตัญญาแล้วก็จะปล่อยวางได้อะไรจะเกิดก็เกิดเพราะทุกอย่างก็ต้องเกิดดีๆอะไรจะไปก็ต้องไปไม่มีอะไรจะอยู่กับเราทตลอด ถ้าต้องเจ็บก็ต้องเจ็กิดมาแล้วก็ต้องเจ็บอยู่ดีถ้เจ็บเจ็บด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือเจ็บจากชีวกรรมชนิดต่างๆอาจจะถูกคนทําร้ายอาจจะถูกจับทำร้ายอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆมันก็เป็นเรื่องความเจ็บเหมือนกันก็เจ็บที่ร่างกายมันไม่ได้เจ็บที่ใจใจไม่เหลือนร้อนทำไมใจไม่เจ็บกับอะไรได้ใจท่านใจนิ่ใจสงบใจก็จะมีความสุขท่างกลารความเจ็บนั่นแหะ เพราะฉะนั้นเรื่องวิบากนี้เราแก้ไม่ได้แต่เรื่องกรรมคือการกระทําอันใหม่เราแก้ได้เคือถ้าเรารู้ว่าการกระทำในอดีไม่ดีเราก็อย่าไปทําต่อเทอ่านั้นเองแต่ส่วนผลที่เกิดจากการทําในอดีตนี้เราไปเราไปแก้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนใจเตรียมตัวเตลียนใจรับก่อนเหมัอ น, นกับเราเตรียมรับกับผลฟ้าพายุอะไรต่างๆถ้าเรามีที่หลบ ภัยเราก็ไม่วุ่นวายจ้ะถ้าเรามีสติมีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะมีสานะมีที่พึ่งมีที่รับภัยได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพาจากทิอย่างต่าตงก็ต้องต้องพยายามถ้าคิดถึงรเรื่องราวเหล่านี้ก็ต้องรู้ว่าเรายัางถ้าเรายัางยังทำใจไม่ได้แสดงว่าเรายัางสมาธิเรายัางไม่พอ ปัญญ า, าอย่างไม่พอเราก็ต้างเร่ความเพียงให้มากข้นสรางปัญญาให้มากเพื่อที่จะได้ตัดความวิตกกังวลต่างๆพร้อมที่จะรับก็เมัอนได้ถ้าถ้ามีปัญญาเห็นว่าเป็นเพียงพื้นดินน้ำมงลไฟมันก็จะรับได้ตอนนี้นก็สแสดงว่าจิตมันเผลอไปแล้วเราไม่ได้ดึงมันเข้ามาคิดพิจารณาทางปัญญาต่อคิดไ ป, ไปตามอารมณ์ มันมันก็ดูดีอย่างมันก็มันมัน ก, มนก็มันก็เป็นการมันจะเป็นการสร้างข้อสอบให้เรามามามามาทำข้อสอบเพราะว่าเราใจเราไปสร้างปัญหารสร้างความทุกข์ขึ้นเราก็ต้องหาวิธีดับมันเพราะอนนี้นใจเรากราคิดไปในทางสมมติฐานแล้วคิดเป็นความความกลัวความความอยากไม่ไม่เป็นไม่อยากไม่มีอย่างไม่เป็นอย่างไม่ให้เกิดขึ้น แต่เราก็ต้องใช้ปัญญาเขาเ้าไปพิจารณาว่ามันอะไรจะเกิดนู่นไม่เกิดนี้มันเราไม่ห้ามกาไม่ได้เราเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตาแต่สิ่งที่เราห้ามใจห้ามได้ก็คือใจของเราห้ามไม่ให้ใจของเราไปทุกข์วุ่นวายกับคขาได้กอันนี้ตัาหากที่เป็นงานของเราคือห้ามใจของเราไม่ให้ไปวึดตอกกำลังด้วยการพิจารณา ปรามิตสัจจะให้เห็นว่ามันก็เป็นเรื่องของแค่ยินน้ำนมไฟแค่นีแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปคือปล่อยหมาความว่าถ้าเราทําเราไม่ได้นะก็ต้องปล่อยถ้าเรายังทําได้ก็ทําไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาได้ก็รักษาไปแต่ถ้ามันรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็ไปตามเรื่องของมันสติสมาธิ ปัญญาเนี่ยเป็นเป็นองค์ประกอบหลักของของที่ทพึ่งทำใจถ้ามีสติน้ำตชนันยะตั้งแต่ตื่นจนหลักจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้แล้วถ้าดึงใจมาทิศทางด้านายลักนี้มาทางปรามัตถสัจจะก็จะลบล้างส ม, มุติสัจจะได้ส ม, มุติสัจจะนี่เป็นตัวสร้างความส้งสมุทัย เพราะว่าจะมีตัวรองของเราเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าพิจารณาทางสัจปรมาสสะจักรก็จ ะ, ะไม่มีตัวเราของเรามีเพียงแต่ธาตุธาตุส่ธาตุห้าธาตดินน้ามีไฟธาตุรู้จะเห็นว่าเป็นธาตุไม่ไม่ใช่ตัวรองของเรามันก็มันก็ไม่เป็นปัญหานี่ยต้องปิดวิเวณเพราะว่าถ้าทํางานทําการด้วยเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ การต่างๆงานต่างๆมันก็จะเดึงสังขารความที่ของเราให้คิดไปซึ่งเป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นเนี่ยงานของฉันเงินของฉันผลผลิตของฉันนีมันก็จะเป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นแต่ถ้าเราไปที่ิเวกไปอยู่คนเดียวมีแต่ต้นไม้มีแต่วัตถุที่ไม่พูดว่าเป็นเราตรงเรา มันก็มันก็จะไม่มีเหล่ามันก็จะเห็นว่าเป็นเพียงดิ่นน้ำเงินไปดังนอยู่คนเดียวนี่มันทําให้เราได้อยู่ในบรรยากาศของของปรมตทสัจจะแต่ถ้าเราอยู่หลายคนแล้อยู่สองคนนี่มันก็จะเกิดตัวเราเขาละขึ้นมา แ, แต่ถ้าอยู่คนเดียวก็มีแต่ท่ามินน้ำโล่ไปแล้วก็ท่าโล่ปีใจ เราคอยสอนใจว่าเราไม่ใช่ใจไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราใจเป็นเห็นภาพรู้แต่ใจใจมีสังขานที่คิปรุงแต่ว่าเป็นเราก็ให้รู้ว่าเป็นเราแบบสมมติเท่านั้นเองเหมือนเราเรบบล่นละครอั่างน้เราก็สมมติว่าคนนี้เป็นพระเจ้าเป็นดินคนนี้เป็นพระราธีคนนี้เป็นพระเอกคนนี้เป็นคู้รักก็เป็นการสมมติออกมาจากความคิดปรุงแต่สังขารความคิดนี้เอง เนี่ยทุกวันนี้ที่เราเป็นนายกรนายขอยีตำแหน่งระดับนั้นระดับนี้ก็เป็นเรื่องของสมมุติแบบนี้แต่ความจริงร่างกายนี้มันก็เป็นเพลยงดินน้าลงไปแต่เราไม่มองตรงนี้กันเราไปมองตำแหน่งกันเขาเขาเป็นนายนายเลี้ยกก็เขาเป็นอดีตบนียเขาเป็นเจ้านายเราเราเป็นลูกน้องเขามองอย่างนี้นไปไปอยู่กับสมมุติ ไม่มองว่าเขาก็ดิ่งน้ำลมไฟล้วก็กดิ่งน้ำลมไฟเขาก็แก่เียบตายแล้วก็แก่เียบตายไม่มีอะไรต่างกันไม่มีใครพิเศษกันเรื่องของร่างกายจะต่าง ก, กันก็ที่สติปัญญาของแต่ละคนนม้ว่าต่างกันไหมถ้ามีสติปัญญามากก็ก็ทุกข์น้อยฉลาดล้วก็เราก็สามารถที่จะอาศัยก็ได้ เป็นกูบาจารย์เราไปหาท่านเราไม่ได้หาที่ร่างกายของท่านหรอกเราไปหาที่สติปัญญาของท่า น, านไปก็เพืเป็นฟังเสศ้ยนฟันํารรมธรรมที่ท่านพูดออกมาก็จะเป็นเป็นความรู้ที่เราไม่มีอยู่ในตัวเราเราก็าสายความมิลลงท่านนี้มาเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนต้องต้นทุนเป็นเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดเมล็ดพืชของท่านมาแล้วเราก็เอามาปลูกไว้ในใจของเราด้วยการภาวนา ด้วยการลึกลึกถึงพิงจารณาตามที่ท่านสอนอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะงอกงามขึ้นมาเป็นสติปัญญาของเราต่อไ ป, ไปอ่ะอาจารย์สบายอาจารยนสบาย <c oughs> <c oughs> ชุดเด็กตกเลยไมพานเลย่าม่เนี่ยหม่เหนลายมือที่นีผู้วดมืริงน้องก็ซื้อมาให้คอยเตแต่เราไม่เตือนเพราะเรามองไม่เห็นคนอื่นเห็นแต่เราไม่เห็นใช่แต่เราเห็นไงแค่จตือนไว้ที่มือไล้ไงดี ทั้งไดตรง่านเลย ไ, ได้สติสติสเพ <c oughs> ื่ออยู่ตรงนี้มองไม่เห็น <c oughs> อย่างกรนี้ที่ท่านเทศน์ตะกี้นะคะมันมีควม้ว่าแทนที่ฟังท่านเราสามารถที่จะยกติดข้ามไดระยะหนึ่ง <c oughs> แต่นึ่งก็ไปบ้าแล้วมันด้วย <c oughs> เราคือเราตอสมุดหยุดจับมาเลยตอนนี้เป็นเหมือนกับตามธรรมะอยูอ่รอบตัวจิตเรามาทางทางธรรม เราก็ต้องเอาธรรมะที่เราได้เรียนเนี่ยไปทําต่อแต่เราไม่ทําำเวลากลับไปเราก็เรีนธรรมะอันนี้แล้วเราก็กลับไปหาของเราต่อหาลูกเราหาสามีเราหาพระหาเพื่องเราหาสมบัติของเราไม่กลับไปหาดินน้ําลงไปไม่กลับไปหาใจรักต้องกลับไปหาดินน้ําลงไปกลับไปหาตายรักทำไมทิศต่อไม่ได้อันนี้ที่แค่สามเรื่องนี้ดินน้ําลงไปไม่ใช่ตัวเราของเรา เราต้องพัดพาจากของต่างเหานี้ไปให้หมดขึ้นไม่ได้เพราะว่าอำนาจของอริชาเรามีกำลังมากกว่าอริชาปัญญาสังการนี่มันทำงานทุกตรงหมายใ้เขาออกอย่างที่พูดนี่ไงพอจากนี้ไปต้องเนี้รทอลงเมชาลาก็เริ่มคุยกันเลยไปแล้วมันเป็นอัตรมัติเลยเหมือนคนทนัดมือขวาเนี่ย ตอนนี้มาพี่ม็สอนให้แช้มือซ้ายก็ะช้ได้เลยพอไปจากศาลาเนี้ปักกลับไปใช้มือขวาต่ อ, อเพราะมันถนัดม่เคยชินถนัดทางทางมือซ้ายนก็ต้องฝืนไงต้องพยายามฝืนาการภาวนาวนก็เป็นการฝืนใจเราดลวยฝืนใจให้คิดไปในทางธรรมคิดไปในธรรมะ ให้ทวนกระแสของของจิเล็ของอริยชาให้เข้าสู่กระแสธรรมพอเข้าสู่กระแสธรรมแล้วมันไม่ต้องบังคับแล้วมันจะไปทางธรรมละอย่างพอเข้าสู่โสตะนี่คำว่าโสตะแปล ว, ว่ากระแสโสตัพนะเป็นแปลว่าผู้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานเข้าสู่กระแสมรรคกระแสธรรม ในนี้มันก็จะคิดไปในทางตายรักแล้วมองอะไรเห็นอะไรมันก็จะคิดแต่ทางตายรักแต่ก็ยังไม่ต่อเนื่องมีบางเวลามันก็ยังเผอได้หรือไม่ทันจีเลที่มันละเอียดกว่าแต่พอที่เลทมันออกมาสแสดงว่ามันก็จะทิ่มแทงจิตใจก็จะรู้ว่าอ๋อทําแบบนี้ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนนี้ทําได้มีความสุขแต่ในนี้นนทำไม่ได้แล้วเพราะมันมาทิ่มแทงจิตใจเมื่อก่อนนี้มันทิ้มแทงจิตใจแต่เรามองไม่เห็น เราไปมองความสุขที่เราจะได้รับจากจากจาการกระทำเหล่านั้นเราก็เลยมองข้ามความความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาในขณะที่เราต้องไปแสวงหาความสุขเหล่านั้นเป็นคนอยากจะดื่นเหล้าเนี่ยก็ต้องไปหาขวดเหล้าไปหาแก้วเหล้าหาน้าแข็งหาอะไรมาเนี่มันก็เป็นความทุกข์อย่างแต่เมาะมองข้ามมันว่าเป็นความทุกข์พอมองไปที่ความสุขที่จะได้รับจากการดื่ม แต่ถ้าจิต mình, มันมเล่งแล้วเนี่ยมันมันเครื่องหวานิดเดียวมัน ก, ก็รู้ว่าทุกข์แล้วมันก็ไม่อยากจะลุกไปทําไม่อยากไม่หาแก้วเล่าหาขวดเล่มามันดื่มเล่นเฉยๆดีกว่าสบายกว่าเพื่อสรุปง่ายคือเราปฏิบัติกันน้อยถ้า <literacy> ปฏิบัติหน้ามันก็ต้องก็ต้องตัดทุกอย่าง ในวัดเลยบวชเป็นนักบวชเลยถึงจะปฏิบัติได้มากแต่เมื่อม้เขาว่ากคนที่มาบวชเลยจะปฏิบัติได้มากามนะครับบางทีบวชแล้วก็ยังปฏิเสธไม่ไนดนชื่อความคิดที่จะคิดไปนในทางโลกไม่ได้แต่เม้ว่าจะเ ป, เป็นทางโลกแบบทางทางธรรมก็คือก็จะไปทํากิจอื่นเช่นแต่ทำท่าป่าทําสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ มันก็เป็นเป็นบุญเป็นผุศลแต่มันยังไม่เป็นการภาวนายังไม่เป็นการทวนกระแสพอวิชาปรัชญาสังขารแต่ก็ยังดีกว่าทํางานทางโลกแต่มันไม่คุ้มค่ากับการบว่ถ้าบว่แล้วมันต้องภาวนาถึงจะได้เป็นเกรรเป็นกรรมเพราะถ้าไม่บว่แล้วก็ทำกินได้สร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างวัดได้ ไม่ต้องบวดก็ได้แต่ถ้าบวชนี้แสดงว่าเราต้องการเวลาเพื่อที่จะมาภานะ ว, วนาเมืบวชแล้วป็นคนรจะภาวนาะคนรจะเก็บตัวอย่าไปกลางงานต่างๆงาน ป, ะปะ่าป่างานบุญงานคุศโงานคบลอบ้องานอะไต่างๆนี่เป็นเรื่องของไม่ใช่นักพรนะงานคุณนักภาวนาะต้องอยู่ในป่าในเขาอยู่นนธรรมเป็นกลมนั่งสมาธิ ถ้าใจลำบุญแล้วไม่เคยไปงานไหนเลยเช่นแี้อยู่ที่บ้านตากก็ถูกขั้งอยู่นะทํานก็ไม่ให้ไปแล้วพอออกมามันก็ติดป็นนิสัยถูกขั้งมาต้องเกิดเก้าปีมันก็เลยมาอยู่นี่ก็เหมือนกับขังตัวเองโดยปริยายไม่ได้ไ่เคยคิดอยากจะไปงานไหนงานสงครก็ไม่เคยไปงนมันเกิดงานมันตายงานคบออรบรอบงานของครก็ไม่ขอใครไปมาไม่มวก็หม่ไป ไม่ที่ใจะทำอย่างที่ท่านจาย์พูดนะคะแต่ดูว่าเวลาจะมัทำใจมันวิ่งเลยก่าไองปล่อยๆมั่งดึงมั่งปอยม่งวิ่ง้นไปกนก็เหมือนเห็นนักมาราธอนที่วิ่งก็อยากจะวิ่งอยู่แถวพอวิ่งได้สักร้อยเมตรสอง้เมตรก็ไมไหวแล้วเหนื่อยแล้วกาลังไม่พอก็ต้องพยายามทาจากจากกาลังที่เรามีอยู่เนี้ยแล้วก็พยายามค่อยๆเพิ่มไป เคลียเลกเคลียน้อยมันเพิ่มได้แต่จะเพิ่มแบบแบบทีเดียวเยอะๆอะไรนี้มันเพิ่มไม่ไหวหร<ม>อกเพราะร่างกายมีติตารมีต้องการต้องต้องปับตัวต้องเสริมกําลังขึ้นมาเพื่อที่จะรับกับงานที่เราต้องทำ<ม>นั่นเราอย่าไปมองสนอื่นเขาเขาทามากขนาดนั้นแล้วเราอยากจะทําเหมือนเขาเลยที่เดียวนี่มันไม่ได้แล้วเราจะท้อแท้แล้วเราจะผ่านไม่ทําเลย แต่ถ้าเราทําตามกํากลังของเราแล้วก็เพิ่มไปทีละร้อยละสิบอย่างนี้เช่นเคยนั่งสี่สิบนาทีก็เพิ่มเป็นห้าสิบนาทีค่อยๆเพิ่มไปทีละห้านาทีทียสิบนาทีมันก็จะมันก็จะนั่งได้งานขึ้นไปเรื่อยๆการฝึกสติก็ต้องพยายขขามฝึกให้มากขนเรื่อยๆให้มากขึ้นไปสตินี้สําคัญที่สุดการจ้าหน้าในการภาวนาก็อยู่ที่สติตรงนี้น พยายามตั้งสติอีกทั้งวันให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นที่กำลังทำอยู่อย่าไปอยู่ที่อย่าไปในอย่าไปในอดีตอย่าไปในอาใ น, านาคตนอกจากว่ามีความจาเป็นต้องคิดก็อยู่เหตุการณ์อย่างอื่นแล้วเอาความคิดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เรากำลังทำอยู่ก็ืให้มีสติขังความคิดของเราคิดด้วยเหตุด้วยผลคิดเท่าที่จาเป็นจะต้องคิด เสร็จแล้วเราก็หยุดคิดแล้วเราก็กลับมาอยู่กับร่างกายต่อไปอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปอย่าทำอะไรไปแล้วก็คิดเรื่องอื่นต่ตามไปเรื่อยอย่างนี้เรียกว่ามันมันไม่เป็นหนึ่งจิตมันเป็นสองอยู่กับกายรับแล้วก็กลับไปอยู่ที่ใจอยู่กับความคิดตั้งแล้วกลับมาอยู่ที่กายหมดกลับไปกลับมามันก็จะไม่นี ให้อยู่กับที่กายอย่างเดียวไม่ไปที่ที่อื่นเลยมันก็จะนิ่งถึงแม้ว่าจะไม่สงบแต่มันก็จะนิ่งมันก็จะอยู่กับที่กายอย่างเดียวพอมันอยู่ที่กายได้ต่อไปเราจะให้มันอยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมมันก็จะอยู่กับลมแล้วมันก็จะพาให้เราเข้าสู่ความสงบได้ พอได้ความสงบแล้วทีนี้มันจะมีกําลังใจวความสงบนี้เป็นเป็นเป็นรางวัลเป็นตัวอย่างของรางวัลที่หนึ่งก็ได้คือ เ, เหมือนกับถูกสองตัวก่อนถูกในท้ายสองตัวก่อนแต่ก็รู้ว่าออดทําน้วไม่ขับทุนละนได้กำไรไม่แน่ทีนี้ก็จะมีกําลังใจที่จะทําให้มากขึ้นมากขึ้นไปจากสองตัวก็เป็นสามตัว แล้วก็เป็นรางวัลที่ห้าที่สี่ที่สามไล่ขึ้นไปจนถึงรางวัลที่หนึ่งมันไปได้ไม่มีใครจะถูกที่รางวัลที่หนึ่งเลยทุกคนต้องต้องก้าวขึ้นไปตามขั้นบันไดแต่จะก้าวช้าหรือก้าเวเร็วนี้เป็นไปไัญหาบางคนก็ไปเลยวบางคนก็ไปช้า พราปัญญา ว, ว่าคนี้พอได้ฟังธรรมบอกว่าพระเจ้าสองสามครั้งก็บรรลุปเป็นตาอานันท์ทั้งแต่ครัง้งแากเป็นบนรรลุปเป็นโสดาบันเพียงรูปเดียวจาทรงสแสดงวามาทรงสแสดงเรื่องอ น, ตนัตตาอนัตตารขณาสุตตะบรรลุเป็นตาอานันพร้พอมกันทั้งห้ารูปและพอไปโสดพระที่อยู่อีกรัฐที่หนึ่ง ห้าร้อยรูปเขาบูชาไฟ<ม>เขาเขาบูชาไฟนับถือไฟทก็ส่งตอนเรื่องไฟว่าไฟแท้ไฟที่แท้จริงนีอยู่ในใจไฟของลาภะโทษะโมหโะพอแสดงจบเขาก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทั้งห้าร้อยรูปเขามีก็มีสีมีสมาเท่กันอยู่แล้วแต่ไม่มีปัญญาไม่รู้ว่า ปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ปัญหาก็อยู่ตรงที่ไม่รู้จักอนุตางไม่รู้จักลด ท, ท่าโต๊ะจับโมหะว่าเป็นเหตุของความเิดตอสอ น, นก็รู้ว่านี่แหละคือปัญหาให้ให้ดับเจรดับราค่าโทะ๊ะโมหะปัเหมือนก็บรรลุดาสมายนั้นท่านก็ต้องสอนด้วยสมาธิสังเกตดู แสดงธรรมแต่ละครั้งนี้จะแสะดงธรรมปัญญาเพราะคนฝั่งนี้มีมีแล้วมีสมาธิมีศีลแล้วแต่ต่อมานี่จะต้องแ ส, สดงเรื่องสติบ้างเรื่องสมาธิบ้างเรื่องปัญญาบ้างเพราะว่าคนที่ามาบวดใหม่นี้ยังไม่มีภูมิหน่ำนี้อยู่แต่มีศรัทธาเห็นเห็นคนอื่นบวแล้วบรรลุกันก็อยากจะบรรลุกับเขาบ้าง ก็มาบวชแต่มาบวชยังไม่มไม่รู้ว่าสติเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าสมาธิเป็นอย่างไรก็ต้องสอนเรื่องสติก่อนบางทีก็ต้องสอนเรื่องศีลก่อนเรวินัยของพระพอคนบวชแล้วก็ยังกลับไปนอนกับภรรยาอย่างนี้แสดงว่าไม่รู้เรื่องของศีลก็ต้องห้ามต้องสอนว่าเป็นพระแล้วไปหลับนอนกับคนอื่นไม่ได้แล้วไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนใา้หาความสุขจากการทําจิตใจให้สนุก พระวินยัยยินปรากฏขึ่นงานทีละข้อสองข้อก็อคนที่มาบวชนี้ไม่รู้ศีลของพระว่าเป็นอย่างไรแม้ในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีมีคนที่มาบวชแล้วก็ทําผิดศีลกันเนยอะเป็นเพราะว่าไม่รู้ไม่ได้ศึกษาเพราะว่าเขาเรียกว่าอุปชาผู้บวชให้สมัยนี้เขาเรียกเป็นอุปชาเป็ด ไม่ใช่อุปชาไก่ไก่นี้ธรรมดาคลอดออกฟักไข่ออกมาแล้วก็จะเขาจะฟักด้วยพอแล้วเขาเขาออกไข่ออกมาก็จะฟักไข่ให้เป็นตัวแต่เป็นนี้มันจะไม่ฟักมันจะทิ้งไปเลยอ้โไข่อย่างเดียวอุปชาก็เหมืนอนกันทำไมบวชแล้วก็ไม่สอนไงบว่าล้วก็ทิตงไข่ท<อ>ิ้็ ตามบุญตามกรรมถ้ปล่อยให้คนที่ไม่รู้จริงสอนนไปก็เลยสอนในดบบผิดๆไปมีขอสุดค ว, วามตั้งใจมือทีไหมคะาการที่มีโกคือเกิดขึ้นในหัวใจเราเราไม่สามารถที่ยก1ิคข้ามันได้ให้เรากลับมาที่สติเจริญสติเพื่อเอากำลงังมานไปพิจารในการข้างหน้าใช่ไหมคะ่ะใช่สติก็ได้สมาธิเราก็จะได้ ได้สมาธิแล้วก็จะได้ใช้ไปสนับสนุนปัญญาต่อไปเป็นขั้นสติทำให้เกิดสมาธิสมาธิจะเป็นกำลังที่จะใช้ในการทำลายกิเลสแต่ต้องอาศัยปัญญาเป็นผู้ผู้ผู้ชี้บอกว่าที่อะไรคือกิเลสอะไรคือความจริงอะไรคือเป็นความไม่จริงปัญญาจะเป็นผู้สอนให้รู้เ ร, รียนสอนให้รู้ว่าไม่ใช่ของเรา เป็นหน้าที่ของปัญญาถ้ามีสมาธิอย่างเดียวก็ยังจะไม่รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราจะไม่รู้ว่าสตกทามานตา์ต่างเดี๋ยงพระทั้งหลายที่ปฏิบัติได้ได้ฌานกะะันแล้วอย่างาาพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองพระสองลูป ก, ก็ได้ฌานแล้วแต่ได้แค่นั้นได้สมาธิไม่ได้ไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าศึกษาก็ได้แค่ฌานากท่านั้น จึงต้องไปสวงหาปัญญาด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีใครนี้ปัญญามีมพระพรุทธเจ้าเท่าน้นที่สามารถที่จะศึกษาสิ่งต่างที่มากระทบสัมผัสจัตใจแล้วพิจารณาจนเห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุสิยู่อไม่ <c oughs> เป็นสภาวะธรรมเท่านั้นเองอันนี้ถึงจะบรรลุธรรมบรรลุอริยามรรคอริยผลได้ถ้าไม่มีปัญญาก็จะได้แค่ฌานสมาบัติ ตายไปก็จะไปแค่อยู่ชั้นสวรรค์ชั้นโภแล้วก็จะเสื่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะยังเป็นยังเป็นตายรักอยู่ชาตนี้ก็ยังเป็นตายรักอยู่ยังไม่เที่ยงยังเสื่อมได้เจริญแล้วก็เสื่อมได้แต่ถ้าเป็นโลกุตระมาักนี่มันจะโลกุตระธรรมนี่มันจะไม่เสื่อมเป็นโสดาแล้วก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นปุถุชนเป็นเป็นอำนาจามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นโสดาเป็นเป็น อาณามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นสกิลาธรรมีเป็นอาหันต์ก็จะไม่เสื่อมต่อมาเป็นอาณาคารมีเพราะมันมันเป็นด้วยปัญญาครับที่มันที่มันเป็นปุถุชนก็เพราะมันหลงมันไม่มีปัญญามันมีแต่อวิชชามันไม่มีปัญญาไม่มีใจรักไม่เห็นใจรักดังนั้นต้องสติก่อนสติ เราเริญอยู่เป็นพื้นฐานเลยตื่นขึ้นมาจำหลับเรามมนั่งนอนให้มีสติควบคุมใจไว้ไม่ให้คิดพุ้งซานไม่ให้คิด เ, เลอเปือให้คิดอยู่กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่กำลังทำอะไรอยู่ก็ให้คิดรู้อยู่กับเรื่องนั้นแล้วก็จะมีมีกำลังที่จะบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้เวลานั่งทาสมาธิมันก็จะไม่ไปคิด พอไม่คิดแล้วมันอยู่กับอารมณ์เดียวมันก็จะสงบเป็นหนึ่งรวมเป็นหนึ่งได้เพราะนั้นก็จะได้คบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแต่เป็นความสงบชั่วคราวพอออกจากนั้ออกจากความสงบแล้วจิต ก, ก็จะเริ่มคิดตรงตันแต่อย่างน้อยความสงบที่มีได้าจากสมาธิมันก็ยังอยู่อยู่มันก็ยังมีพลังพอที่จะคุมความโลภ ค, ความโกรธความหลง ไม่ให้มีกำลังมากแต่ยังไม่ตายเหมือนกับทุกศีตะมันให้มันบินไปอย่างนั้นตอนนั้นเราก็สามารถที่จะเอาสังขารที่กิเลสเคยดึงไปใช้นี้มาใช้ในทางธรรมะได้เอามาคิดทางไปรักได้เอามาคิดทางปรมักกัสัจจะได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราเนี้ยเช่นเราเตื่นขึ้นมาปั๊กเนี้ยกิเลสมันจะเด็กไปคิดกลับเลยตัวเราของเรา วันนี้จะไปหาอะไรดีไปทําอะไรดีไปหาความสุขที่ไหนไปหาเงินที่ไหนไปคิดไปทำนั้น ท, ทันทีแต่ถ้ามีสมาธิปั๊บมันไปได้คิดไปทางทางทางมากเวลากิเลสมาชวนให้คิดไปทางโลกก็จะต่อสู้กันเถียงกันแล้วถ้าปัญญามีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเอาชนะกิเลสได้รู้ทำเลย มันเหมือนการต่อสู้ของของคนสองคนใครมีกำลังมากกว่าคนนั้นก็จะชนะถ้าปัญญานรากำลังน้อยกว่าก็ยังสู้ผี่เหลือไม่ได้หรือม้จะมีสมาธิก็ยังโลกโกดหลงได้แต่ถ้าปัญญาเรา้อมให้มีมากขึ้นมากขึ้นพอจะโลกปั๊บมันก็จะตัดได้ตัดได้พอจะโกรธก็ตัดได้ตัดได้ เวลาที่เรายังไม่มีปัญญาออกจากสมาธิเราก็ต้องสอนใจให้เกิดปัญญาขึ้นมาที่ร่างกายเราเนี่ยเรายังไม่มีปัญญามองทะลุเลยอยู่กับเรามาตลอดเวลาเรายังไม่เห็นอาการสามสิบสองนี่ทำไมยังไม่เห็นเพราะเราไม่คิดมันเราไม่เห็นงั้นเราก็มาคิดมันอยู่เรื่อยๆเลยร่างกายของเรามีอะไรบ้า ง, ง, งนี้ผมขนเลือดันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อหนังกระดูกมากหัวใจอใปอดทงเผิดตายดเนี่ ท่องไปก่อนแล้วก็นึกภาพดูแล้วไปเปิดหนังสือที่มีภาพที่ก็ผ่าร่างกายออกมาให้ดูว่าวัยวะส่วนต่างๆดูไปแล้วก็นึกคนตายนึกคนตาอยูเรื่อยต่อไปเวลามองร่างกายของเราหรือมองมองหน้าตาในีกระจกนี่มองเห็นส่วนอื่นที่อยู่ภครใต้ถึองอย่างด้วยมองใครก็จะเห็นส่วนอื่นเยอย่างนี้ถึงจะเห็นเห็เร็วมีปัญญาแต่ถ้าไม่เห็นไม่เห็นทายแนวนี้มันยังไม่มีปัญญา มันก็จะเห็น <You> ว mm ่าสวยล่างงามหรือหน้าเกลียดก็ได้แต่ความจริงมันมันก็มีทั้งสวยน้างามมีทั้งหน้าเกลียดมีทั้คนคนเดียวมันนั่นแหละมีทส่วนที่หน้าหน้าดูและหน้าไม่น่าดูแต่เราไม่จะเลือกดูในส่วนที่หน้าดูในส่วนที่ไม่หน้าดูก็ไม่อยากจะดูกันแต่ถ้าเราพิจารณาดรๆต่อไปเราก็จะเห็นสิง แล้วก็จะมีความชินชากับส่วนวนที่ไม่น่าดูแล้วส่วนที่น่าดูก็ไม่มีความเราก็จะไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นยินดีด้วยเพราะเราเห็นว่ามันก็มีส่วนที่ไม่น่าดูอยู่ด้วยมันก็จะทำใจให้เราเป็นกลางเฉยๆไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่น่าดูนะไม่ไม่ไม่น่าดูเฉยๆมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละจะน่าดูแล้วไม่น่าดูมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่มันจะไม่ยินดีอย มันจะเฉยๆมีเป็นการดูเพื่อดับยาคะการนรารักะมันเป็นปกติถ้าไม่เห็นมันจะเห็นแต่ส่วนที่น่าดีน่ารักแล้วก็จะเกิดอารมณ์ความคลายขึ้นแต่ได้เห็นส่วนที่ไม่น่ารักไม่น่าดูบ้างไอ้ความคลายนี้ก็จะดับไปพ อ, อเห็นทั้งสองส่วนทั้งน่ารักและไม่น่ารัก ไม่ทั้งหน้าดูแล้วไม่น่าดูมันก็จะเฉยๆได้ดูที่ไรก็จะไม่เกิดราคะไม่เกิดความใช่กันนะอย่างนี้มันต้องทําอย่างตอนนอ้จะนะมันติดเป็นนิสัยไปต้องฝังเป็นนิสัยไปตอนนี้มันไม่เป็นนิสั ย, ยถ้าไม่คิดปั๊บไม่ไม่ถึงมันปั๊บมันลมเลยมอนไเลย ที่เรียนเป็นเดือนอะไรนียเดยอหน้าเป็นเงินเล็กได้วะต้องกลับคือไม่ขึ้นแลือไม่หยขึ้นหรือกรเพื่อือไม่กระเพื่อมแต่ถ้ามีสมาธิแล้วจิตจะไม่ค่อยกระเพื่อมไม่มีขึ้นแต่ถ้าจิตไม่สงบนี่มันจะกระเพื่อมมีขึ้นตลอดเวลา เวลานิ่งกับบบงม่มีคืนเหมือนกันคำว่าเนื่องกับความสปกติมันก็เหมือนกันคล้ายๆกันมันเหมือนกับหกันคือวาเนื่องคำว่าคว่าน่งครับคือว่าัก็พูดยากพูดใส่เราก็รู้ว่าพูดผิดไปแต่ความจริงเหมืนความจริงมันไม่นื่งเวลาคิดมันไม่นื่งแต่มันแต่มันไม่กรบเพื่อมแต่มันมันไม่มันไม่กระเพื่อมมันไม่เป็นคลื่น คือการคูดยากแต่เวลาปฏิบัติพอได้ตัวนี้นะมันจะรู้เองว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าไม่ได้มันก็อยากสงสัยแล้วเราก็เข้าใจเพราะเรารู้ว่าคำพูดนี้มันบางครั้งมันสับสนเหมือนกันการพูดเหมือนไม่เหมือนันเปนขาสงบมันสงก่อะไรนี่ใช่ค้าสวนนี่นะครับไม่ปุงแต่งคว่าเริมไม่ปงแต่งแต่เวลาออกมาแล้วมันก็จะปงแต่มันก็ไม่สงบแต่มันยังน่งอยู่ส่มันไม่กระเพื่อมมันไม่ขึ้น มันไม่มันไม่กับเครื่อมมันยังนิ่งถ้าเป็นน้ำเหมือนกันมันยังไม่เจ้วน้ามันยังยังนิ่งไม่นววิ่งไปแต่มันมันไม่กับเครื่อมไมังนี่งก็จะทํานได้ง่ายกว่าใช่ไหมถ้าเวลาเมื่อเวามันนิ่งนี่กิเลมันจะทำงานไม่ค่อยนาหรือเวลากิเลมันทํางานมันจะเห็นชัดเลยว่าอครวามกิเลสโผล่ขึ้นมาแล้วเนีไงในตัวนี้เป็นปัญหาไม่ใช่ตัวนั้นตัวที่อยากไป ยุ่งโดยไม่ใช่ตัวปัญหาแต่ตัวที่ปัญหาก็คือตัวที่กระเพื่อมเพราะตัวกระเพื่อมนี้มันทําลายความสุขของเราแต่ถ้าไม่มีตนาที่จะได้เห็นเพราะมันกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลามันเป็นคลื่นตตลอดเวลาก็ต้องขอไทยด้วยบางทีก็พูดไปแบบบางทีก็บบคือนึกว่ ก็ถ้าถ้าถ้านีา่ด้วยสงบด้วยว่าเธอเป็นเอกาตาลงไม่กีุ่แต่งแต่ถ้าเถ้า อ, อจาจจะสมาธิแลวมันยังนิ่งมันไม่หนีลุกขึ้นแต่มันกลุ่มแต่ได้แต่นีุ้่มแต่งนี่ก็อาจจะมีกระเพื่อมากถ้าไปถ้าคิดไปทางกเกเรก็จะกระเพื่อมแต่ถ้าคิดไปทางมักก่งจะไม่กระเพื่อมผ่ายจังครับสิบมีโอกาสเนักสมาธิครับแต่ก็คือเปิด เทปหลวงตาฟังด้วยนะครับทีนี้ก็เราก็อยู่ที่ลมหายใจครับ จ, รรจี่ลมหายใจเทปถ้าหลวงตาเทปไปเราก็ฟังต่อเนื่องต่อเนื่องเข้าเข้ามาในใจนะครับและอยู่ดีๆก็เหมือนกับ ว, ว่าเราฟังหลวงตาไม่เข้าใจครับเราก็พยายามตั้งใจฟังหลวงตาแต่ก็ไม่เข้าใจครับแต่ก็ได้ยินเสียงหลวงตาแต่ไม่เข้าใจเป็นความหมายคนะ ร, รับเป็นความผจญตอนนั้นเป็นเลยคือการฟังทำเนี่ย เราไม่ควรที่จะไปดูน้ำหายใจเขาออเพราะเราต้องการประโยชน์จากการฟังธรรมซึ่งการฟังธรรมนี่จะทําได้สองลักษณะความแบบไม่เข้าใจแต่ได้ความสนุกโดยบางทีธรรมที่ท่านบรรยายท่านสแสดงนี่มันสูงกว่าสติปัญญาของเราที่จะตามที่จะทาําให้เกิดความเข้าใจ ย, าย่อยด้านนี้จากใจเราเก่อปิดมือกับเสียงธรรมของท่านใจของเราก็ไม่เป็นคิดตึงแตกก็เลยทํา เสียงธรรมของท่านนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวองค์ภาวนาของเราก็จะทําให้จใหจของเราสงบได้พอาะสงบได้ตอนนั้นก็อาจจะได้เสียงแต่จะไม่รู้เข้าใจเข้าใจแล้วไม่ปรุงแต่ตงตามแต่ถ้าเราฟังแล้วเราปรุงแต่ตงตามคิดตามเราก็จะได้ปัญญาแต่ใจเราจะไม่มมยิ่ง อาใจเราจะนิ่งแต่ไม่สงบขึ้นมาใจของเราจะขูแตกต่างแต่มันจะเป็นมรรคไงถ้าคิดไปในทางมะมันก็จะทําให้ใจเราเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิิเกิดสัมมาสังกัปโปแต่มันจะแต่มันจะไม่ทําให้ใจเราเกิดการกระเพื่อนขึ้นมาแต่ถ้าเราไปคิดทางโลกคิดกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะกระเพื่อมขึ้นมาเพราะมันเป็นสมุทัยมันก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมา ในการ ท, าทำเทศสทำตามก็เป็นการยนยับดับสมุตัยคือเดินใจที่จะไปคิดทํางโลกทางสมุทัยให้มาคิดทํางธรรมเนื่องจากเราคิดเองไม่ได้เราก็เลอาสายความคิดของอรูบาจารย์เป็นผู้คิดแทนเราเนื่องจากเราฟังตามไปฟังตามไปเราก็ต้อคิดตามไปด้วยสิย่งนี้ก็จะก็จะ ม, มีความสมบุบมีความนิ่งมีความนิ่งแต่ใจยังไม่สงบแต่ใจเรายังคิดอยู่แต่คิดไปจะทำม แต่ที่เรานั่งคุยทำนั่งทำนี้ก็เกิดของชั่วโมงชั่วโม ง, งขึ้นนะใจเรารู้สึกว่านั่งเนี่ยสบายไม่รู้สึกเกาบื่อตามําคายใจเลยแต่ถ้าเราป่อ น, นั่งของเรามีคนเดียวีจะนั่งได้ปะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องคิดเรื่องนั้เรื่องนี้อนะ่ะพอคิดแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดแล้วอาการอยากจะลุกไปทํานื่นทนํานี่ในการสังเทศทางธรรมนี้ท่านบอกว่าฟังได้สองแบบฟังเพื่อสมาธิวามสงบความนิ่งหรือฟังเพื่อให้เกิดปัญญา ได้ที่จะแจกปัญญาได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ปัญญาของเราด้วยว่าเรามีพอที่จะรับปัญญาของท่านได้หรือเปล่าแต่ท่ายจะแสดงทุกระดับระดับตั้งแตพื้นฐานที่มาถึงจน ถ, ถึงระดับสูงเราอยู่ในระดับไหนเราก็จะรับได้ถึงระดับนั้นแต่ท่านเจ้าวข้ามระดับนั้นไปเราก็จะไม่เข้าใจหรืออาจจะเข้าใจบ้างนิดหน่อยเพราะมันม่คุมคุมพอที่จะตามไม่ได้ เช่เราอยู่ชั้นชั้นสเนี้พอท่านพูดถึงชั้นห้าเราก็อาจจะกำหนดตามท่านได้ทนันแต่พอท่านไปชั้น6ชั้นเจ็ดนี้เราไปไม่ทนันเพราะว่า แ, แงรา ง, งเราไม่มีกําลังเราธรรมยาของเรามีไม่พอแต่การฟังทุกครั้งฟังการแบบนี้ทุกครั้งท่านบอกจิตจะพะัฒนาขึ้นใจแต่ละขั้นตรงนี้ครั้นนี้เราอยู่ชั้นห้าเนี้ยพอท่านมาพูดถึงชั้นห้าเรารู้แล้วเ น, นี่ย น, 5, นี่เราเดาความีชั้นหกว่าท่านจะพูดเราทป็นอย่างไรเกี่ยวกับชั้น6จะขึ้นไปได้อย่างไร พอเราฟังปั๊บนี่เราก็อาจจะก้าวตามไปได้เลยหรือถ้าไม่ได้เราก็กลับไปปฏิบัติก่อนกลับก็ปฏิบัติก็เมื่อนานเราก็ะจะก้าวขึ้นชั้นหกได้ต่อไปมันจะเป็นขัข้นๆไปอย่างนี้การฟังธรรมถ้าฟังเพื่อปัญญามันจะง น, นี้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ฟังแต่เสียงไปน้กจิตก็จะสงบนิ่ ง, งจะได้ยินเสียงแต่จะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่าจาอยู่ทางสบายฟังนั่งได้นั่งได้อย่างสบาย แต่ถ้านั่งเฉยๆคนเดียวนี่นั่งไม่ได้แต่พอเปิดธรรมมาฟังนี่นั่งได้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนี้นั่งได้เพราะว่าเรามีเสียงธรรมกล่อมใจสําหรับผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิคือสติยังไม่มีกาลังพอที่จะควบคุมบังคับให้ใจอยู่กับลมหายใจได้อยู่กับพุโทโธก็ต้องอาศายัยการฟังธรรมช่วยใจกล่อมให้นำความไประยะๆในนั้นจิตก็จะ ส, สบาย เราลองปิดดู store, empty, ถ้าเราเรบริกรรมต่ออยู่นึว่าจะบริกรรมได้ถ้าบริกรรมได้มันก็มันก็จะมันก็จะสงกนึกเข้าไปไม่ดูลมหายใจเข้าได้มันก็จะสงบนึกเข้าไปในบาทีตอนต้นก็ต้องอาศัยอาศัยในการลดลดมือถือพัดพัเราเสียกาอาศัยลดถนนลากไปก่อนพอลดลดยื่ไปปับเราใส่เกียรับมันก็จะติดเครื่องก็จะติดได้ เราก็เหมือนกันสมาธิของเราตอนต้นอาจจะถ้านั่งเฉยๆโดยที่ไม่มีเสียงธรรมฟังนี่มันจะพุ้งร้างจะไม่อยู่จะให้อยู่กับพุทโธมก็อยู่ได้แค่วินาทีสองวินาทีแล้วก็ได้ทิ้เรื่องต่างๆเพราะนั้นเราต้องอาศัยการควาธรรมไปช่วยช่วยช่วยวยึดใจไว้ให้ใจมันหยุดคิดให้คิดน้อยลงให้มันคิดในทางมั่งเพราะที่ในทางมั่งก็จะทําให้ใจสงบลงได้ในระดับหนึ่ง ท่ น, นี้โดยปกติเราควรจะฟังด้วยวัตถุประปสงค์เพียงอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่2 อ, อย่างเพราะว่าโดยทัปป่วไปเรานั่งสมาธิแล้วเราฟังด้วยเนี่ยบางทีจิตเป็นสลับไปมาฮะกับไปหาสมาธิียกับไปที่ปัญญาทีเจริญนาเพราะกลับไาอทีมัตามไม่ทันแหละถ้าสับอย่างนั้นจริงทุอคนจะทายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือปรเปล่าครเลยคือส่วนใหญ่มันก็จะฟังเพื่อเพื่อปัญญาก่อนเพราะตอนต้นนี้เราจะเข้าใจ <C> e แต่พอไปถึงขั้นที่เราไม่เข้าใจนี่เราก็ต้องปล่อยแล้วปล่อยให้เราสมาธิอย่างเดียวฟังเสียเร า, เราไม่ต้องกลับไปกังวลว่ามันะมจะเป็นอย่างไรเพราะเราฟังไม่เข้าใจแล้วเนี่เพราะท่ทานพูดคุมธรรมที่มันสูงกว่าเ ข, า, ขาปล่อยไปเลยเราเอาสมาธิอย่างเดียวปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเราไม่ต้องไปกคำนวณว่าจะฟังเพื่อสมาธิหรือฟังเพื่อปัญญามันจะรู้เองในใจของตนราตอนนั้นมันอยากจะฟังเพื่อปัญญาหรือฟังเพื่อสมาธิบางทีมันบางอารมันไม่อยากจะคิดตมันก็ไม่คิมันก็ฟังแต่เสียงไป แต่ถ้ามันเยืมอลงที่จะคิดตามพิจารณาตามได้มันก็จะพิจารณาตามไปดังนี้เราจะไปกาหนดบางคท่ามันไม่ได้ตอนนี้จะนั่งเพื่อสมาธินั่งเพื่อปัญญามันอยู่ที่เจตของเราในขณะนั้นว่ามันมันมีกําลังที่จะคิดตามหรือไม่คิดตามแต่ตอนต้นเราก็นั่งเฉยๆให้มีสติรู้อยู่เราไม่ต้องส่งจิตเราไปหาท่านไม่ต้องไปส่งจิตไปหาเสียงให้เราตั้งรับอย่างเดียวเหมือนกับเหมือนกับคนที่เข้าประตู นักฟุตบอลที่เข้าประตูไม่ต้องวิ่งออกไปตามลูกให้ยืนที่หน้าประตูเดี๋ยวลูกมันจะวิ่งมาหาเราเองใจเราจะได้มีใจเราจะได้ไม่ต้องวิ่งตามลูกถ้าเราไปนวลวิ่งตามเสียงของท่านจะดูว่าท่านอยู่ตรงไหนแล้วก็วิ่งไปหาท่านอย่งนั้นวเวลาฟังเราไม่ต้องเดินตามดูหน้าตาท่านเรานั่งเฉยๆทําจิตให้สงบมีสติอยู่ตั้งอยู่ข้างหน้ารอรับเสียงธรรมที่จะมาสัมผัสกับหูนั่วก็เข้าไปสู่ใจของเรา ถ้าเราพิจารณาได้แล้วก็พิจารณาต่างแต่เราพิจารณาไม่ได้แล้วก็ฟังเสียงธรรมของท่านไปเรื่อยๆ <Either. S 1> อ ก, ก็จะได้เนี่ยท่านว่าอนิสงค์ของการฟังธรรมก็จะได้ได้มีความเห็นที่ถูกต้องก็เป็นปัญญาหรือได้ความสงบในี่ยจิตผ่องใสจิตมีความสมบงบผ่องใสก็เป็นสมาธิแล้วก็ขจัดความสงสัยได้ในบางเรื่องบางประการ บางทีเราสงสัยในเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่พอวันนี้มาพูดถึงข้าพตีก็จะเข้าใจก็จะมีอย่างสองสัยนี้การสัธทรมแต่ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบกายก็ต้องนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรวาจาก็ไม่คุยกันจิตก็ต้องนิ่งคือต้อ ง, ตองรับอย่างเดียว ไม่แต่ปรุงกันงแต่วิธีการวิจารณ์เสียงคนพูดแเราไม่เสียงแหบหรือเสียงคเกินอะไรหรือเปล่าอย่าู้อย่างไม่ต้องไปฟังเฉยๆติดตั้งนิ่งต้องไม่ปรุงกันถ้าจะปุงก็ปรุงตามต่ามทำที่ท่านแสดงท่านต้องตามความหมายหรือวิเคราะห์ความหมายที่ท่านพูดมาวารณ์พลฟังตอบล้วก็ต้องวิเคราะห์ทันทีครับท่านหมายความว่ายังไง อันไหนที่เราเข้าใจเราเข้าใจอันไหนที่ยังไม่เข้าใจก็ก็ต้องผ่านมันไปก่อนท่าอนอาจารย์ท่านาที่เราฟังธรรมะท่าอนาอาจารย์บ่อยๆนะคะ นี่พอไปฟังธรวมาที่ตามวัดที่เทพเลยเด็กเลยหายใจที่ถืงิงถือว่าเจ้าหน้าใช่ไหมคะใช่เราเร ก, กนนรารา็เหมือนกินแกงสองหม้อหรื้ว่าหม้อนั้กับหม้อนี้รสชาติลยเหมือนกันไม่ยกินถ้ากินหม้อ<ะ>เดียวก็อาจจะไม่รู้ว่า<ม>รสรสชาติแกงของคนอื่นก็เป็นยังไง จะมาก้าวหน้าก็ไม่เชิงละว้เราจะรู้ว่ารู้จากข้อตัต่างกันแล้วกันหวังมีกำลังใจสักหน่อยเดี๋ยถ้าจะก้าวหน้าต้องวัดที่เกี่ตวของเราว่น้อยลงไปนิดหน่อยเพาว่าตรงนั้นตอนนี้เราโกรดน้อยลงไปนิดหน่อยเโลกน้อยลงไปนิด เราหลงน้อยลงไปหรือเปลอันนี้ถึงเรียกว่าก้าวหน้าทุกน้อยลงไปหรือเปเวลาเสียอะไรไปแล้วยังยินได้หรือเปล่าเวลาใช้ทั้งให้เราโกดแค็งยังให้เราไปกราได้หรือเปล่าอย่างนี้ปัญหาถึงเรียกว่าก้าวหน้าวัที่ใจเราอย่าไปวัที่เหลี่ยน อาจารย์คะคือจะรับปฏิ บ, บัตินี่นะคะอย่างที่คุณชู้ตฟังไปด้วยแล้วก็รับไปด้วยแล้วก็พิจรารณาเกษาร่วมานะท่นานตาตัโดโจ้นะคะไปด้วยแล้วมีหันมาดูที่ดรงหัวหใจตัวเองแล้วมันหายไปหรือนะฮะเมื่อหายไปแล้วนี่ว ค, วความกลัวตายอะคะมันก็เลยพยายามหาลง เรื่อยอรื่อยลนานนนั้นก็ไม่มีเลยที่จะทำได้ยนั่นแหละเพราะนี้เวลาจิตละเอียดแล้วลมมันจะละเอียดตามมันังรู้สึกว่ามันไม่มีแต่กวามจรงมันยังมีอยู่แต่ว่าเราเราไม่สามารถที่จะสัมผัสรับรู้มันได้เท่านั้นเองหลวงตาท่านเคยเขียวลาเวลาคนดูลมหายใจเนี่ยจะเจอปัญหานี้ทุกคนพอจิตละเอียดเข้าไปลมก็จะละเอียดตาม แล้วพอถึงจุดที่ไม่สามารถจับรับนิมนตได้ก็จะเกิดความตกใจขึ้นมาว่า เ, เราไม่หายใจแล้วจะตายหรือเปล่าท่านก็เลยบอกว่าให้มีความเชื่อมันว่าไม่ตายาดาบดาที่ยังมีผู้รู้อยู่ยังมีสติแ ล, ล, ล, ล, ล้วเลื่อนรู้อยู่นี้จะไม่ตายอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวถ้าเราไม่รู้ก็ช่างมันเราก็พอนาไปให้อยู่กับตัวรู้ก็แล้วกันให้ให้ตักแต่ว่ารู้ไปถ้าเดี๋ยวมันก็จะดิ่งมันก็สุขภาพองบเแต่ที่ได้ ทุกคนเป็นนี้ถ้าถ้าดูลมมันจะเป็นเป็นปัญหานี้ทุกคนพอถึงจุดที่ลมละเอียดแล้วจิตละเอียดแล้วลมหายไปมันจะกลายความรู้สึกต่ำลงขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาได้พวลาจิตน mm ั้นลมลงถ้าดูลมมันก็เหมือนการหายใจเฮือกสุดท้ายอย่างนี้เฮือกลมเหมือนการล ม, มจะขาดหายใจไปแล้วมัก็วุบลงไปแล้วก็นิ่งสบาย มันเหมนตอมนมันปล่อยวางร่างกายปล่อยลมแต่ลมมันยังหายใจอยู่ร่างกายนยังทำงานทํามันอยู่แต่ที่แต่ว่าใจเราไม่ได้รับรู้มันแค่นั้นเองไม่มี ใ, ใครตายด้วยด้วยการภาวนาอนามัยสติตายด้วยการแม่ภางนามากกว่าการณ์ที่เราอยู่ที่รู้อยู่อย่างเดียวเนี่ยบางครั้งอ่ะ มันจะแค่ว่าเรีนออกตรงที่ว่ามันมันจะถามเราอยู่ที่ไหนแล้วมีเราตรงนี้ฮะนี่ไปพิภาควิจารณ์แล้วพอเราอยู่ตรงที่รู้เนะี่ยรู้อยู่ตรงไหนก็รู้อยู่ตรงนั้นเน่ยให้ใส้สัดแต่ว่ารู้ก็แล้วกันให้รู้ว่าตอนนี้ไม่เรียนนก็รู้ว่าไม่มดีเรให้อยู่กับรู้ไปดูว่ามันปรุงแต่งหรือเปล่าถ้าปรุงแต่งก็ต้องหยิบมาอย่าไปให้มันปรุงแต่ง พรตัวปรุงแต่งนี่ยมันเป็น ต, ตัวที่ขังจิตไม่ให้โยมลงเข้าสู่ความสงต้องทําใจให้ตรงกลางไปมือแต่ขาให้จับแต่ว่านุคือสังเกตมะากสังเกตว่าเมื่อคือรุณพี่ไทยมันจะหลงทุกทีเอราะจะต้องอย่างนี้อย่างนี้นะนั่นแหละเราใช้สังขารความคิดปรุงแต่งนซะึ่งมันขัดกับเจตนาลงของเราที่ต้องการจะหยุดความคิดปรุงแต่ง ถ้าเราอยู่กับลมเฉยๆอย่างเดียวนี่มันก็จะไม่คิดปรุงแต่งถึงแม้ลมหายไปก็รู้ว่าลมหายไปแล้วก็อยู่กับความความไม่มีลมนั้นไปอย่าไปคิดปรุงแต่ถ้าเดี๋ยวมันจะมันจะรวมล ง, ลงแต่ว่าในจุตรงนั้นสัญญาณมันดึงเราขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลงสูง่ความบงบตกนั้นใช่ไหมคะก็ความนังเลสงสัยของเรามนิวรตัวนิวรมันจะวพาให้เราทุดปรุงแต่งได้ เราไม่ทำ ง, งานต่อเราไม่อยู่กับอยู่กับการภาวนาะทีอมีสติให้รูออ้อยู่กับความว่ า, างกระแ้ทไม่มีลงอยู่กับอยู่กับความว่างนั่ไปความว่าถ้ามีความคิดปรุงแต่งก็ต้องรู้ทันว่ากำลังปรุงแต่ง้าลังคิดนะต้องอยู่ความคิดนั้นทันทีแล้วก็กลับมาอยู่กับความว่างอยู่กับความนี้อย่างเดียวตอนนั้นก็สบายหลายถึงแม้จะไม่รวมลงตอนนั้นก็รู้สึกสบายมาก ถ้าถ้าปล่อยถ้ญญาระยะนึงมันก็อาจจะรวมลงได้ถ้าเราไม่มีความคิดปรุงแต่งมารบกวนที่เราไม่ลงก็เพอาะมันมีไอความคิดปรุงแต่งตัวนี้มาคอยมันคอยขวางกันข ว, ขวางทางลงของของจิตจิตนี้นจะลงนะถ้ามีสติสำลังคับประคองนะมันรู้สักแต่ว่ารูเ้เฉยๆเดี๋ยวมันก็วุบลงไปแต่เรามาคิดโอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวไม่มีล ม, มหายใจจะตายแล้วจะเป็นยังไงรู้ป่ะเนี่ยมันเริ่มกลับมาคิดปรงแต่ง ทำมาที่วิตกวิจารวิพาควิจารเพอภาวนาไปเพื่อที่จะระ ง, งับแม้เราสังเกตอยู่ที่เขาเขียนยชานตอนต้องก็มีวิตกวิจารณเราต่อไปภานาไปเรื่อยๆวิตกวิจารก็จะหายไปเนื้อแต่สุขเนื้อแต่ปิติแล้วต่อมาก็สุขก็หายไปปิติก็หายไปเนื้อแต่อุเบกขาเนื้อแต่กตัจจักก้าวลงสัตแต่ว่าวมีู่ อนนั้นแหะว่างจริงๆเป็นความสงบเต็มน่งงรนตัวรู้ยังมอยู่ใช่มะมอยู่ตลอดเวลามีตลอดตัวรู้ไม่หายไปไหนเาตัวรู้ยังมาถึงจะรู้ว่าเป็นอะไรเนอรตัวรู้ตัวรู้จะหายไปไหนเชีอย่าง้งตัวรู้มันกเด่นขึ้นมายิ่งเด่นขึ้นมายิ่งจนิ่งนิ่งสงบมากขึ้นนะ่ะตัวรู้นิ่งจะเด่นขึ้นมามากขึ้น เพราทุกอย่างมันหายไปหมดเหล้ อ, ตอนนแต่ตัวรู้ตัวเดียวตัวรู้นี้ไม่หายถ้ะอาจารย์ครับจังหวะที่มันการจะพูดครับมันเหมือนบอกว่าเราเราพอจะรู้ว่าเนี่ยการจะพูดละ<ง>แล้วมันก็เหมือนเราบางทีลงไปนิดเดียวปุ๊บล้วก็ขึ้นมาอีกครับถ้าเก<ะ>ิดเรียน<ป>ก็จะเกิดแล้วไม่พอจังหวะนี้เราต้องใช้เวลาใช้อย่างไรครับอถ้าเรารู้รับวเราพยายามให้เราเร่งให้มากที่สุดทีให้แฉให้มากที่สุด อย่าไปวิ่ากษวิจารณ์อย่าไปคิดอะไรต่างๆตัวต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นตัวขวางไม่ให้มันรู้เข้าไปก็ให้รู้เฉยๆอย่างเดียวการไปว่าเลยเพื่อการคคิดตรงนี้คือเราคาดการได้ใช่ไหมว่าตะวันจะลั่นเจออถ้าคามันก็จะอมันถ้าคาดมันก็จะมันทะไปมันก็จะไปแล้วไงอย่าไปคาดให้รู้เฉยๆมันจะเป็นงไงถ้าร่วงเป็นอย่างนั้นอลับไปคาดใช่ไหม เ อ, อ่ามันเกลีกออกยดสงบแล้วเมื่อไรจะสงบได้ทีความีนใจแล้วก็จังนีคือตรงนี้คือสงสัยทันทีพอสงสยัยุ้มมันก็จะขวางเลยามันยังไม่ลงก็คือออนีเาตั้งคำถามข้าในใจก็มันจะขวางเราไม่ให้ลง้นเลมันปรุงแต่ตองอะไรเนี่มันนำมาปุงแต่งพี่ก่อะเราต้องรับรับความปรงแต่งให้สัตแต่รู้เฉยๆให้มีสติประทับประคองจิตให้รับรู้เฉยๆอย่างเดียว อยแต่ปจีงแต่นีากไปที่ภาควิจัยกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนั้นมันจะเป็นยังไงก็ให้รู้ตามความจริงของมันประเ็นของแม่เนอะอาการแบบที่เราม่ได้ตัดเยืแล้วและเราปกครองได้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหนีออกไปเรื่อยๆอย่างนั้นไปเรื่อยๆมันที่อาจจะลงทีอาจจะไม่ลงมันอยู่ที่กําลังของของสติของเรา ที่จะควบคุมสังคีตสังขารความคิดปูงแต่งซึ่งมันอาจจะมีอย่างละเอียดที่เราไม่รู้สึกตัวอยู่แต่ทำไปเรื่อยๆต่อไป ม, ม, มันก็จะมันก็จะมันก็จะมีกำลังมากขึ้นทักวันหนึ่งมันก็จะต้องลงเปนได้มาจจะลงแบบพวกภาาก็ได้คือดาบที่เราไม่ได้ตั้งกล <c oughs> ุมมาก่อนเรานั่งพึทโทพึทโธแล้วดูลงไปตั๊บเดียววุ้บลงไปเลยก็ได้ ว่า ต, ตอนนั้นเราไม่วิาพากษ์วิจารณ์ไม่ไปฆ่ากรณีไม่อะไรเท่านั้นแต่พอเราไปค่ากรณีไม่เคยคิดว่าเคยลงแล้วอยากจะให้ลงนี้นัน่งไปจะมันตายก็ไม่เลยต้องเรีต้องเรีย ม, ม, มาดีเรี ม, มาอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้รู้อยู่กับกับ ก, บ ก, กใในนารการเปินใจของจิตในขณะนั้นเป็นยังไงแค่มันรู้อย่างนั้นไปดูดูเพื่อ รู้เพื่อไม่ให้มันไปชิดปินแต่งะตรงนี้สำคัญทีสดถ้ามีคำพถ้าไปคุยกับมันต้องไม่ไปละปุนแต่งอย่าไปคุยกับมันให้รู้เฉยๆนี่ม่ีอะไรมาล่าฟังตอนนี้นั่งภาวนาทุกวัชเลยตามอย่างต่อนนนเนื่องอนนทีขึ้น น, นิ่งกว่าเดีมคแล้วก็เวลาที่เจออะไรที่ไม่ถูกใจก็เริ่มพิจาระดัง ว่าเอออย่างนี้แต่ห้ามไึ้ค่ะแต่บางทีก็บอกว่าโอ้เป็นลุศีกข่ารายจารทำไมเรื่องง่ายๆจิ้งเวตั้งสองอาทิตย์ก็จะทำใจอะไรเ่งี้ก็แต่ว่าก็ดูตลอดมันเป็นชาติเต่าเนี่ยธรรมดาใครนเรายังขุบมากอยู่มีความอยาดใจทำไปเรื่อยๆมีสกัดได้เลยเพื่อนใจตั้งใจว่าจะนั่งคิด าจารคอที่ตอที่โาแล้วพอจริงบเนี่ยตัวผุดตัวผุดรู้คือมีคำผุดขึ้นมานะคะว่าเกิดเน่เกิดเป็นชื่อก็ดีมีเป็นเป็นปัญญาเป็นสติเราให้เรารร้ว่าการเขินไม่ดี เราเพ่เราจะได้ตัดการเกิดไม่ได้เราจะได้ปฏิบัติต่อไปโดยมีเป้าหมายแล้วว่าเราการปฏิบัติของเราที่ไม่เกิดเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่ทําให้เราเกิดเกิดก็คือความอยากเราก็ต้องตัดความอยากให้ได้ความอยากโดยรูปถึงจิตลดความอยากมีอยากเกิดความอยากไม่มีอยากไม่เกิดอยากก็ต้องพยายามตัดมันใ้ได้ ก็ดีอะไรมันเกิดขึ้นมาที่เป็นธรรมล้วก็มันจะมันจะฝังอยู่ในใจเราเราจะไม่ลีมันอย่างง่ายแต่ถ้าเราได้มีการฟังจากข้างนอกเดี๋ยนี้ก็ลืมได้แต่อะไรที่มันเกิดในใจนี่มันมันจะอยู่กับเราก็แสดงว่าเป็นธรรมที่ที่ที่ที่บอกทางให้เราการเกิดนี้ไม่ดีมันก็บอกนะ ี่เราก็ต้องศึกษาต่อไปว่าอะไรที่ทำให้เราเกิดทำเงานเท็จไม่ต้องเกิดก็ต้องตัดความอยากต่างๆการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาหรือเพราะว่าตัณหาตัวที่จะพาให้เกิดก็ต้องภาวนาทำต่อไปพอถึงกทางแล้ ถ้าอย่าง เ, เราเออกเขานะก็ดูแล้วก็ดูการกระตุ้นของการหายใจคู่บคู่กันไมนไม่ขัดแย้งกันใช่ไหมคะถ้าเราถูกชนิดยัยงนี้ก็ได้ถ้าพุทโธไปแล้วก็ดูวมหายใจไปด้วยใช่ไแต่เวลาดูเราดู ก, าด ก, ากันจะเพิ่มขึ้นลงของมันไม่ขัดแย้งกันไหมฮะเราไม่ควรจะดูหลายอย่างควรจะดูอย่างเดียวจะจะนิ่งกว่าถ้าดูหลายอย่างจิตมันจะทํา ง, งานมาก แล้วที่พระอาจารย์พูดบอกว่าภาวนาพุทโธแล้วดูลมหายใจด้วยนี่คือหมายถึงว่าบางคนเวลาหายใจเข้าเขาก็จะท่องพุทโธหรือหายใจออกเขาว่าพุทธพุทโธเนี่ยแล้วแต่บางทีเขาหายใจก็ดูลมหายใจอย่างเดียวมันจิตยันคิดกังกังกังหวะเขาก็เลยเอาพุทโธเข้ามาควบคุมด้วยแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะมันมันยืดยากมันจะต้องดูลมแล้วต้องมาพุทโธด้วยบางคนก็จะเอาพุทโธอย่างเดียว เรือาลมณ์อย่างเดียวอันนี้แล้วแต่จิตของแต่ละคนคือขอให้เรามีผลก็แล้วกันว่าเราพาเนะนี่ยเจิตมันสงบนะแต่ถ้ามันดูหลายอย่างนี่มันจะไม่สงบเช่นลมนี่ท่ก็บอกไม่ต้องไปตามให้าอยู่ถ้าดูลมก็ดูอยู่ที่จุดเดียวที่แถวปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้เวลาลมเข้ามันก็ต้องสัมผัสอยู่แถวปลายจมูกแล้วนี้อยู่ตรงจุดที่มันสัมผัสเข้าออก ันเพื ja. word, yes ่อมันจะได้นิ่งถ้าเราตามเข้ามันก็จะไม่นิมันตามออกมามันก็มันทํางานมันถ้าเป็นไปได้ก็เอาอย่างเดียวจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นเบื้องต้นยังยังอยู่อยู่ที่จุดเดียวไม่ได้อยากจะอยู่หลายจุดก็ได้แต่ก็มันเริ่มสงบแล้วอาจจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคุณเต็ครับดีโอเค ของท่านพระนี่ตรงมันจะถามท่านพระก็ไม่แน่แล <c oughs> ้วค่ะท่านอาจจะต้องเอาไปพิดหนังสือที่ท่านพูดว่าในการกระทำทุกอย่างใหญ่น้อยที่เป็นกิตของพุทธศาสนาที่เป็นศัลยกรรมทุกประเภทค่อยตั้งโมโหขึ้นก่อนตรงนี้ก็เข้าใจอยู่แต่ทั้นต่อได้ละ <c oughs> เหมือนกับเรากินข้าวการกินข้าวของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของหมายเป็นของเก่ามาตั้งแต่ดั้งเลยตรงนี้ค่อนข้างงงมันเป็นเกี่ยวพันที่ ว่เดือดปวดจะถอดแล้วปิดความหมายด้วยท่านคงเปรียบเทียบว่าการตั้งน้ำมนนี้ก็เป็นเป็นเป็นพิธีกรรมที่มีมาสิดมากับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มต้นก็เหมือนกการกินข้าวของเราวราคิดมาตั้งแต่มันเกิดมันก็เป็นเหมือนกันถ้าคงจะเปียบเทียบว่ามันเป็นเหมือนกันในลักษณะนั้นทั้งหมดก็ก็ก็เขียนไปตามที่ท่านพูดคงจะไม่เป็นปัญหา ทางทางพระพุทธศาสนานี่เราถือพระพุทธเจ้านี้เ ป, นเป็นเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรเราก็มาเชียรยกท่านตอนเป็นประธานเหนกับวลาเร า, เร า, เ, ราเราตั้งนโมก็เหมือจะอัญเชิญให้ท่านมาเป็นประธานในการทํกากิจกรรม ต, ต่างๆเพื่อแสดงความเคารพแสดงความ ก, ามกตัญญูกะตะเวทียกย่องเชิดชูท่านให้อยู่เนะสียงก้าเ้าเราเสมอ ย่งพระสาวรีบุเวลาท่านนอนอยู่ก็ อ, อยู่ที่ไหนเวลาท่านจะนอนท่านจะต้องกลับไปในทางทิศทางที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่เสมอเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแสดงความเคารพเพราะไม่มีใครที่จะมีพระคุณกับพวกเรามากยิ่งกว่าเยี่งเท่ากับพระพุทธเจ้ายี่งกว่าพระพุทธเจ้ า, าไม่มถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราก็คงจะไม่มีมาได้มาเจอกันอย่างนี้นะมา ได้ยินได้ฟังธรรมะอย่างนี้ทั้งๆทำไปแล้วมันจะได้ติดเป็นนิสัยลูกหลานที่ตามมาต่อไปเขาก็จะได้มีอะไรเป็นเครื่อ ง, งยึดเหนี่ยวถ้าไม่ทํากันนะต่อไปบางทีก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครมีความสำคัญอย่างไรที่เราทําทพิธีกรรมต่างๆเช่เวียนเทียนนี่ก็เป็นการ ปลูกฝังเยาวชนรุ่นหลังแล้วเราก็เป็นการำนำเนกเพิ่มสติเราให้ให้นึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นจารณะเป็นที่เพิ่งทานใจของเราเพื่อเราจะได้ไม่อยู่ห่างเหินจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่มีพฤติกรรมต่างๆไว้คอยดึงดินจีดใจเราไว้เดี๋ยวมันความเจริญทางโลกนี่มันมันย่นยนควรใจมาก มันจะพาให้เราถูกล่างให้เราเข้าสู่กองไฟของความทุกข์ได้ถ้าเราอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เราก็จะอยู่ใกล้ความเย็นใกล้ความสุขความสบายใจแต่ถ้าเราไปอยู่ใกล้กับความเจริญทางด้านวัตถุทาง ร, ร, ร, รูปเสียงจลิ่นนี้มันจะเข้ากองไฟของความทุกข์ดังนั้นถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาทเรา เ, เราจะได้มีสติย่างยืน มาเอสรณะท่าสนสอนให้เราทําอย่างนี้หรือปล่าที่เราจะไปดื่มสุราอย่างนี้ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราเป็นชาวพุทธเราคือสิ่หน้าเราทำไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีสรณะเลยไม่มีที่พต้นอย่างนี้มันก็จะไหลไปตามความอยากไหลไปตามการสังคมสังคมส่วนใหญ่ทุกวันนี้มันก็ไปในทางทางรูปเสียงจุลิตไปทางทางทางความทุกข์ การเกลียดปัญหาไปบางทีเราก็ยังเราต้องมีอะไรไว้เป็นเป็นเครื่องเหนือร่างจิตใจของเราเหมือกับเรา้อยอยู่ในกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดถ้าเราไม่มีอะไรจับเกาะไว้อะไรนี่เดี๋ยวก็ต้องถูกกระแส น, น้ำพัดไปจนตายได้แต่ถ้าเรามีอะไรเกาะไว้อย่างน้อยก็ยังปลอดภัยนี่พขาพูดเขาทำทั้งสองนี้เปนหลักใจของพวกเรา เป็นที่เพตินตามใจของเราถ้าเรามีพระพุทธธรรมะสงวนเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจแล้วใจของเราจะไม่ไหลลงสู่ที่ต่ำและไม่ถูกกระแสของความโลภความโกรธความหลงของทางโลกลล น, นี้ฉุดลากลงไปเพราะ้นไม่ว่าเราจะทำํำพิธีกรรมอะไรแล้วมักจะมีการสั้งหน้าหมูมีการขอสิ่มีการขอสารนะจะ เสมอเป็นสูตรตายตัวเป็นการสอนเยาวชนรุ่นหลังที่ตามมาด้วยเราทำอะไรเขาก็จะทำตามเราเราตั้งหน้าโมเขาก็ตั้งหน้าโมเราเรากราบพระพุทธพระธรร ม, มพระสงฆ์เขาก็จะกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อก่อนนี้สมัยนี้ก่อนถ้าหลวงตาให้พูดก็มีแต่กราบหนึ่งสองสามคน หลวงาบเราไม่ได้จําวหนสองสามเรากลาวพระพุทธศาสพระมุดโทธรร ม, ม, ท โ, ทรมโมสังโฆ<ม>เด็กเดที่ไ ป, ไ, ปไปวัดป่าก็จะกลานี้กันโยโทธรรมโมสังนั้นเมื่อก่อนก็จะกลาวนึ่สองสามเพราะงี้มันจะพาให้เพียนได้ <c oughs> เรื่องเล็กๆ น, น้อยนี่ท่ากลับเห็นว่าเป็นเรื่องสาคัญท่านต้องแก้ทันที พราะว่าขนับธรรเนียมประเพณีที่ดีงานที่สรรพบุรุษลิขสัตว์ของเรานี้นําพาเป็นเป็นสิ่งที่จะคงไว้เส่นความดีงามทั้งหลายถ้าพวกเราไม่ปฏิบัติตามมันก็จะมันก็จะเสื่อมไปหายไปสมัยใหม่นี่คนนกักจะหลงตัวเองคิดว่าตัวเองฉลาด ก, กว่าบรรพบุรุษสิ่งที่บรรพบุรุษพาธำมาว่าล้าสมัย แล้วมันจะล้มล้างไปเรืยๆแล้วเอาอะไรมาล้มล้างก็เอาที่เติปางทางมาร้มล้างก็เมื่อก่อนใช่ไหมมึงไทยเรามีโรงเรียนจะสอนวิชาพุทธศาสนาต่อมามีพวกด็อกเตอร์ปเป็นมือโรงนอกกลับมาต่างเห็นเขามรนอกเขาไม่ให้สอนาศาสนาในโรงเรียนก็เลยอยากจะพัฒนากลางเข้าไปต้องการเสรีภาพต้องการให้คนไม่ถูกบังคับให้เชื่อ พอไม่มีศาสนาแล้วเป็นอย่างเด็กสมัยนะี้ที่ไม่ได้เรียนศีลธรรมจิใจก็เสือ่อมลงไปตอนนี้ก็พยายามจะมาฟื้นกันพยายามดึงคนเข้าวัดไปเพราะเห็นว่ า, าคนทอวัดนี้มันไม่เป็นไม่สร้างปัญหามันกับคนที่ไม่เทาวัดเพราะฉะนั้นขาให้เรายึดแนวทางของ บรรพบรุษคือของทางพระพุทธศาสนาที่ครูบาอาจารย์ได้ได้นำพามานี้ให้เรายึดปฏิบัติัปถ้าจะว่าเชยถ้าจะว่าอะไรก็เรื่องของเขาเถเราไม่เชยเราทําสมัยเราทํำจิเลศเข า, าเชยเขาไม่ทํำจิเลศเขาถู ก, กี่เลหลอกแล้วใครที่จะรุ่มร้อนใครที่จะทุกข์วุ่กกเลเลเลลนวายใจก็คนที่ถูกจิเลศหลอกไปเทนั้นแหคนที่ถูก ธรรมะเด็กไว้ก็จะไม่ทุกข์ไม่รุมร้องใจเหมือนกับคนที่ถูกกิเลสพาไปเห็นไหมความเนสมควรแต่ เ, เวลาแม <c oughs> ะให้คว